ตัวเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของตัวเรามันก็มีแท่สองคือกายกับใจที่เหลือก็ตามมาทีหลังหรือเป็นองค์ประกอบภายนอกกายกับใจเนี่ย การก็จริงนะแยกจากกันได้ยากแต่ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างมากเรียกว่าตรงข้ามกันเลยอย่างเช่นกายเนี่ยมันเป็นตูนเป็นก้อนมีน้ำหนักกินที่จับต้องได้ส่วนใจและตรงข้ามจับต้องไม่ได้ มันจะเป็นนามารรมเป็นสัมจวัดยังไงก็วัดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือว่าพลังงานค mm hmm. วามตกต่างประการกนคือว่ากายเนี่ยนะแต่จะให้แบกอะไรเนี่ยเช่นแบกก็แบกหินจะไม่ค่อยอยากแบก ถ้าให้แบกก็จะรีบวางแม้แต่นักยกน้ำหนักนะระดับโลกเนี่ยเราเคยเห็นว่าเวลาเขายกน้ำหนักเนก็อยากจะวังตายเนี่ยแต่แคว่วางมือไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลา ใ, ใครที่แบกได้นานกว่านะถ้าเกิดแบกน้ำหนับเท่ากันแต่แบกได้นานกว่าก็จะเห็เหรียญทองไปพอแล้วก็ตายเนี่ยมันอยากจะปล่อยไปแล้ว แต่ใจนี่มันแปลกใจนี่ชอบแบกแต่พึ่งตะพือเลยยึดยึดนวดยึดนี่แบกว่าทีา่ไหนแบบไปไปกว่าใจแล้วเกิดอะไรตามมาเกิดความทุกข์ทาไมกายเนี่ยเวลาแบกก็แบบกแบบก็อีกแบบกหินเนี่ยมาถึงอยากจะวางเพราะมันหนักเพราะเหนื่อย นะแต่ใจเนี่ยนอกจากชอบแบกนะชอบเดือดแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยวางลงง่ายๆนยะแต่ถ้าไม่วางนะก็จะทุกข์ไม่เลิกและที่พวกเราทุกข์กันทุกวันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เพราะกายแบกอะไรนะกายอะไรเราเนาไม่ได้แบกอะไรเลย อี่ยงนี้เราก็แทบกะไม่ได้ใช้ทำอะไรที่ยซ้ำแม้แต่เดิมก็มีลิฟต์มีรถยนต์แต่สิ่งนี้เป็นทุกเวลานี้เนี่ยก็คือทุกใจและที่ทุกใจก็เพราะสาเหตุสำคัญเลยนะเพราะแบกเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะคลายทุกข์นะ อย่างแรกแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือต้องลดจักวางจะ แ, แบกก็แบกไดนะ้แต่ก็อย่าแบก บ, บ่อยอย่าแบกนานนะให้รู้จักวางแล้วถ้าระวังเป็นวางได้นะเนี่ยราจะพ่อความสุขความสุขชนิดนี้เรียกว่าความอิสระความโปรงเบาความสบาย มันไม่เหมือนความสุขที่เรียกว่าความสุขมันไม่เหมือนความสุขแบบอื่ที่เกิดจากการเสพการบริโภคนะกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะไอ้ความสุขอย่างนั้นนี่ทาแบบไว้นะก็ทุกข์เหมือนกันนะและยิ่งถ้าเราชอบอะไรและเราต้อจัปล่อยบ้างเนี่ย เราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกเพราะว่าสิ่งที่ชอบมันหายไปอันนั้นก็อันหนึ่งแหละเราชอบอะไรแล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้เสพหรือว่าไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยมันลุลอยไปจะเป็นเสื้อผ้าโทรทัศน์โทรศัพท์แก้วหวเงินทองบ้านรถยนต แต่ถึงแม้มันไม่ไมไมรอยไปนะแต่ถ้าเราชอบให้เลิกแล้วก็เสรให้มหยุดก็ทุกข์นะคนเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบที่สั่สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามระวังรักษาตัวไม่ให้อยู่ใกล้แต่สิ่งที่ชอบเราไม่ระวังเลยแล้วเราก็ เาขามาใส่ตัวยกตัอ่งเช่นอาหารเนี่ยทุกวันนี่คนที่ป่วยหนักเนี่ยไม่ใช่ป่วยเพราะกินอาหารที่ไม่ชอบกินเพราะกินอาหารที่ชอบและไม่ยอมเลิกสัทีเช่นชอบกินหวานชอบกินเครื่องในนะครับก็เป็นเกาส์ชอบกินไขมันหมูพะโล้ความดันขึ้นแล้วยไม่ยอมเลิก ขณะดูห้องอซียูแล้วยังของกินหมูพโลไม่ต้องพูดถึงบุหรี่นะซึ่งกันที่มันชัดอยู่แล้วว่าคนที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยตายเพราบุหรี่แยะแคนที่ชอบเล่าตายเพราะล่าแยะแยะแต่ถึงแม้ของที่มันไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยอย่างอัปะยะมุขเนี่ยเช่นอาหารของหวานขนมเครื่องในเนื้อของหมักดองของเข็มของทอดหลายคนป่วยเนี่ยเพราะว่าชอบกินของพวกนี้เลย ไม่ได้เปิดเพรกินของที่ไม่ชอบนะคันคนที่ชอบสบายก็ตายเพราะความสบายนี่แหละคือตายเพเราะโรคหัวใจตายเพราะโรคเบาหวานอันนี้เราคงทราบดีแลนะ้วว่าให้ความสบายที่ไม่ต้องทําอะไรเนะี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคไปนานาชนิโดโรคหัวใจเป็นต้นเบาหวานาอาจจะรวมถึงมะเร็งบางชนิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราชอบเนี่ยนะ เสิ่งที่เราต้องระวังมากกว่าของที่เราไม่ชอบก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันต้องรู้จักดึดเหมกันต้องรู้จักคราวหรือรู้จักความคดีแต่คนนี้เนี่ยสิ่งที่อามาอยากจะพูดเนี่ยอยากจะพูดให้เลยไปก่อ น, นั้นที่พูดเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องความเจ็บปวดทางกายใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ย แม้กายจะปกติสุขภาพดีแต่ก็มีความทุกข์ใจเรียก ว, ว่าป่วยใจซึ่งพูดจ่างสรุปก็คือเพราะความยึดเพราะแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้าอยากจะมีความสุขต้องปล่อยต้องรู้จักปล่อยปล่อยอะไรบ้างนะอย่างแรก น, นคือปล่อยเรื่องราวในอดีต หรือผู้สั้นๆปล่อยอดีถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใจเนี่ยอยู่ในห้องประชุมนี้ฟังคำพยากองอ์ตมานเนี่ยพวกเราก็คงจะไม่ทุกข์อะไรเท่าไหร่แต่พอใจเรานึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตนึกถึงของที่หายนึกถึงวันที่ถูกโกงนึกถึงคนที่ต่อว่าแตะทอเรา นึกถึงคนที่โกงกเราไปนึคนถึงคนที่ก็าทำร้ายผักหลังเราไม่ซื่อต่อเราจะรู้สึกทุกขึ้นมาทันทีอาจจะมีความโกรธมีความขุ่นเคืองหรือว่ามีความเศร้าอะไรอารดณ์ยเพราะนึกถึงคนรักที่ตายจากไป แ้วคนจนบ้างเป็นทุกข์เพราะวางเรื่องราวในอดีตไม่ได้อามาาคนนี่เจ็ดสิบแล้วเป็นคนน่ารักสุภาพเรียบร้อยใจดีแต่เวลานึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเคยหักหลังเคยในละคุณเมื่อสามสิบปีที่แล้วจะโกรธมากเลยจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย แล้วตอนลังก็บน่นพูดถึงคนคนนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจนกระทั่งลูกที่เป็นห่วงว่าถ้าแม่ตายด้วยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคงจะไปอะารอาม่าก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าตัองหลังคุณคิดแล้วก็พูดถึงคนคนนี้บ่อยซ้ําแล้วซ้ำเล่าเจอใครก็พูดเจอลูกก็พูดเจอห ล, ลานก็พูด เาะคนคนนั้นคนคนนั้นตายไปแล้วแต่ว่าเพราะพ่อแม่ยั ง, ยงวางเรื่องราวในอดีไม่ได้ใจยังยึดยังกอะยังเกี่ยวและถึงแม้จะมีบ้านที่ใหญ่โตติดอาให้ความสงบเยนแต่ใจกับรุ่งเรือคนรจนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นทุกข์เพราะใจเนี่ยมันเกอบเกี่ยวอยู่กับเหตุการณ์ไดจริง หลายคนเนี่ยถูกโกงเงินปล่อยวางไม่ได้ในเมื่อเอาเงินคืนมาไม่ได้ลใจก็ยังคิดถึงเงินก้อนมีนมครูคนนึงโดโดโกงเงินไปสนหนึง่งใจไม่ยอมกินไม่ยอมนอน น, ะนอกจากจะเสียใจยแล้วเนี่ย สุขภาพก็เสียด้วยเพราะพอไม่กินไม่นอนเนี่ยร่างกายก็แย่แย่แม่ก็ขอให้กินขอให้พักผ่อนขอยหนอนแกก็ไม่ยอมแคร์มากแตระกูลก็ไม่เสียแต่เงินนะใจก็เสียสุขภาพจิตก็เสียสุขภาพกายก็เสียและอย่างนี้จะทํางานได้ไหมทำงานไม่ได้งายก็เสีย และความสำคัญคนก็พลอยเสียไปด้วยเพราะว่าไม่มีอารมณ์จะพูดจะคุยกับใครหมดอยู่ตลอดเวลาเพืเ่อนๆก็ไม่อยากเ ข, ข้าใกล้เสียเพื่อนอีกบางทีวยวายใส่เพื่อนวยวายใส่ผู้คนรอบตัวถ้าเราปล่อยวาง น, นะปล่อยเหตุการณ์นั้นไปก็เสียแต่เงินแต่ว่าสุขภาพจิตไม่เสียสุขภาพกายไม่เสีย งานก็ไม่เสียความสัมพันธ์คนรอบตัว ก, ก็ไม่เสียแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะเลือกที่จะยืดห้อ้เลือกที่จะเสียสียห้าอย่างแทนที่จะเสียแค่อย่างพราะอะไรเพราไม่รู้ตัวก็ไแปแบกรอยนี่เพื่อนคนณนึงเนี่ยสูญเสียสามีนะสามีจับไปเร็ว ม, มากสามีก็เป็นแฟมิลี่แมนเป็นคนที่ดูแล ครอบครัวอ่อนโจนสุภาพแต่ว่าจับไปอยางกระทำางังเพราะโรคร้ายและไม่เชืเ่อยใจว่าเป็นโลกที่มันลามเร็วมากกว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็ง ก, ก็มีเวลาอยู่แค่ส0มสิบือนสามีตายไปหลายเดือนแล้วทุกวันภรรยาก็ยังโทรศัพท์ไปเข้าโัสามี อยากได้ฟังเสียงสามีที่ ท, ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ทุกชา้าก็ทำอาหารให้สามีกินสามีไม่อยู่แล้วแต่ก็วางอาห า, า, หาไว้บนโต๊ะที่สามีเคยทนใจยังยอมรับไม่ได้ที่สามีตายพื่อองผู้นใหญ่ทั่วใจยังยังแบกยังที่สามียังปล่อยก ไ, ไปไม่ได้แล้วก็เลยไม่เปทำอะไร นอจกจากจะทุกข์แล้วเนี่ยนะนอจกจากจะไม่เปไห น, นทํา ง, งานแลเธอก็ไม่สนใจลูกสาวซึ่งมีสิบสองมีลูกสาวแต่ไม่สนใจลูกสาวเพราะว่าไปสนใจจดจ่ออ ย, อยคนที่จับไปแล้วคนที่จับแล้วออกกลับมาไม่ได้แต่ก็ไปจดจอยอย่อแบคนคนนั้นแล้วก็ลืมลูกสาวหลืมเอาลูกสาวมันอยู่กับตัวเอง ไม่สนใจลูกสาวแล้วลองคิดดูหน้าว่าถ้าลูกสาวเนี่ยโตในสภาพบรรยากาศแบบนี้ก็จะกลายเป็นคนแบบไหนพ่อแม่แม่ไม่สนใจก็กลายเว่าต่อไปเนี่ยวันนี้เสียสามีวันหน้าจะเสียลูกสาวพ่อไม่สนใจเขาลืมว่าเอาเนี่ยยังอยู่กับเราการที่ไปยึดติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ย มันนอกจากทำให้เราทุกข์แล้วนียังทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างบางทีสิ่งดีๆมันมีอยู่รอบตัวนะแต่เรามองข้ามเพราะเราไปสนใจแตสิ่งที่เสียไปคุณเคยไหมไปตั้งแต่ว่าจะไปชมพระอาทิตย์ตกนะริมทะเลเพราะว่ารถไปไปถึงช้า พราทิตตกรับทะเลไปแล้วเสียใจมากอุตส่าห์เดินทางข้ามประเทศมาเพื่อจะให้ดูพระาทิตตกดินตกทะเลก็โมโหยนึกแต่เสียดงเสียต า, ยมาไม่ได้ดูพระาทิตตกทะเลลืมมองไปว่าตอนนั้นเนี่ยท้องฟ้า ง, งามมากดาวนี่ส่างแสงเลยทะะี่ไกลยไม่เห็น เพรใจเนี่ยยังเป็นยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดว่าฉันไม่ได้ดูภาพที่ตกดินฉันน่าจะได้ไม่เห็นภาพที่ตกดินแต่ความสูญเสียนี่มาเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับการที่คนบองคนเนี่ยคิดถึงแต่เมืที่จากไปแล้วก็ลืมคนที่ยังอยู่เครื่งต่อไปก็จะสูญเสียคนที่ยังอยู่เหมือนกันนะเช่นกรณีแม่ที่ลืมว่าลูกสาวเนี่ยยัง็นทั้งคน เมื่อคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าวางอดีตไม่เป็นหรือว่ายัางยึดอดีตมากทีเดียวแต่ทันทีที่เราเราสามารถปล่อยวางอดีตได้ในะจจะเป็นสุขได้มากเลยมีเพียงคนหนึ่งเราว่าเธอเธอรักสามีมากนะแล้วไปดูสามีมากาะคิดว่านี่คือผู้ชายในฝันแล้ววันหนึ่งกพบว่าสามีนอกใจ ไปอาจมีคนอื่นเธอโกรธมากนะขึ้นหนึ่งขึ้นกูกับสา ม, มีเลยก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้ใจว่าเธอจะอยู่กับสา ม, มีเธอจะจับเธอจะมีชีวิต อ, อยู่โดยปราศจากสา ม, มีได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์นี้เธอก็ตัดสินใจอยากขาดกับสา ม, มีตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่คนเดียว น, นี่จะอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นนะเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมบอก็แค่วันแรกจะนั้งน่นนะจิตใจเธอก็รุ่มรอ้องเคยเคยปฏิบัติธรรมหลายครั้งแล้วสงบเย็นแต่คราวนี้รุ่มรอ้องเพราะอะไรเพราะใจนะเปิดคิดถึงแต่สามีอดีตสามีเปิดคิดแต่ผู้ชายมานนะั้วรู้สึกเจ็บแค้นถูกหักหลังถูก ทรยศจิตใจมีแต่ความสุด ข, ขั้งแค้นขุนเครืองผ่านไปวันแรกวันที่สองก็ยังเหมือนเดิมก็ยังแค้นยังขุนเครืองรุ่มรอนแ้วเธอแปลกใจว่าเรื่องว่าทําใจได้แล้วที่ไหนถ้ายังทําใจไม่ได้ก่อนหน้าที่มาปฏิบททัติธรรมไม่มีความวุ่นวายเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมีโน่นมีนี่ให้ทํา แต่พอมาปฏิบัติธรรมใจมันไม่มีอะไรทามันก็วนคิดถึงผู้ชายคนนั้นวันที่สามก็ยังรุ่มรอ้อนคุณเคืองโกรธแค้นเธอก็ไม่เข้าใจาตัวเงเป็นอะไรเพราะไม่เคยเป็นอย่างนี้นึกว่าทําใจได้แต่ยังทใจไม่ได้วันที่สามเนี่ยก็มีช่วงเธอเดินจงกรม ในเวลาเดินจงบอกกมือเนี่ยระสานไว้ที่ข้างนาเดินไปสักประมาณสักชั่วโมงเนี่ยมือก็เมื่พอมือเมื่อยเนี่ยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยมันก็สบายมันผ่อนคลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าไม่ได้ผ่อนคลายแค่กายจิตใจก็สบายไปด้วยเพราะตอนนั้นเธอได้เห็นเลยว่าเธอได้ตระหนักว่าโอไอิตทูเนี่ยเขาไปยึดเอาไว้ไปยึดอะไรนะยึดสิ่งที่ ยึดนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเธอคิดถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยตลอดสาวันโดยที่ไม่เฉจลจิใจเลยมันคืออดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและเธอก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวเลยนะว่าเพียงแค่ปล่อยมันก็สบายแต่มันได้คิดก็ตอนที่ปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บมันก็ได้คิดเลยว่าปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายมากนะั้นตอนนั้นแหละที่รู้ว่าเราไปยึดผู้ชายคนนั้นเอาไว้ ที่จริงไปยึดสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็เลยเห็นชัดเลยท่านว่าท่าที่เราทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะเขาหรอกแต่เป็นเพราะใจเราหที่มันไปยึดถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วพอปล่อยปุ๊บเนี่ยใจสบายดังนั้นสิ่งแรกที่อยากจะให้เราตระหนักก็คือว่าการปล่อยอดีตนะ แล้ก็ต่อมาคือปล่อยอนาคตหรือปล่อยสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราครุงแต่งว่ามันจะเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในไม่กี่วันข้างหน้าหรือปีหน้า ก, ก็แล้วแต่หลายคนเนี่ยนะเวลาขับรถเนี่ยพอรถติดเยจะมีปีกขึ้นมาทันทีทั้งที่รถก็ติดแอ ปิดเพลงเะแต่ทำไมเงียหนงีแล้วเพว่าเป็นเพราะรถติดที่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะอยากจะให้ถึงไวๆหรือเป็นเพราะกลัวจะถึงชา้าถามว่าทําไมกลัวถึงชา้าทำไมอยากถึงไวๆเนะพราะกลัว่าถรถติดเนี่ยนะจะถึงที่หมายชาจะกิดนักจะส่งลูกไม่ทันจะไปประชุมสายจะตกครื่องบิน ให้ความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ใจมันไปนะใจมัไปข้างหน้าใจามันไปคิดถึงอนาคตที่เป็นลบแล้วพอคิดเข้าเนี่ยเป็นไงกลัววิตรกกังวลหรือถึงขั้นโกรกรอัยลองถามใจเราดูนะที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรวิตรรกกังวลไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยความวิตกกังวลหรือโกรธกรวายหรือแร่ข้างความกลัวนี่นะมันเกิดจากการที่เป็นนึกถึงสิ่งที่อยากมาไม่ถึงนึกไดนะ้แต่ให้ตู้จัวางด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอนึกแล้วมันก็ยึดเลยนะแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางนะประสบการณ์เราเวลานั่งรถเวลาเจอรถติดเนี่ยเป็นตัวอย่าง น, นนะครับว่าเวลาเราหมดินเนี่ยนะอย่าพอใจเราเไปจดจ่อยอยู่กับ ภาพที่ว่าดไว้ว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องดินเดี๋ยวจะไปประชุมศาลเดี๋ยวจะปิดงัดมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าใจาไปจอไปจับตรงนั้นแล้วก็เลยทุกนอกจากจเป็นทุกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่ากังวนแค่ไหนก็ไม่ทําให้ขับรถไปได้ไวขึ้นแต่มั่กังวลหนักกันนัด กองวอนเรื่องลูกจะเข้ามหาทลาย ไ, ได้ไหมกองวอนเรื่องอพ่อแม่เจ็บป่วยพ่อแม่ไปฟังรอฟังผลตรวจจากหมอผลตัวจยังไม่ออกรออีสองสามวันไปแล้วใจและคิดไปแล้วกลุ้มใวันงทีก็เป็นเค่ของตัวเองนะระหว่างสองสวันที่รอคำตอบจากหมอเช่นวันจําทร์วันอังคารหน้า เหมือนกันเราลบเลยผิดใจรุ่มรอ้อนกลัววิตกเพราะอะไรพไเพราะใจมันไม่ดีกว่าปัจจุบันใจมันไมดีกว่าตอนนี้ให้เราลองวางดูนะลองวางฆ่าอนาคตที่จะไม่เกิดพูดอย่างนี้ไม่ได้แบบเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ไม ต, ไมต้องวางแผนไม่ต้องคิดถึ ง, ถงมันเราปวดแต่ก็ควรทําอย่างมีสติ แล้วก็ต้องรู้จักว่างเช่นเราจะวางแผนนอนาคต3เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าอันนี้ทําได้คนในทางมาลีกาเราจะมองถึง อ, อดีตก็จะประเมินผลที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นทุกคนทําแต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วมไปแล้วด้วยอาวัยและไม่ถึงคำว่าถึงสิ่งที่ยองมาทีถึง พิจารณาดีแต่ถ้าคิดด้วยความหลงมันก็จะเกิดความอาลัยอาวรณ์เศร้สาโศกเสียใจรวมทั้งความสุกผิดทาคิด ต, ต่อปฎกิกาเลยไปตะคอกท่านหรือไม่ดูแลไม่ไปเยี่ยมท่านไม่ไเห็นใจท่านตอนที่ท่านเสียชีวิตผ่านไปแล้วสิ ป, ปีก็ออยังก็ออ ย, งยังปล่อยให้อดีตนั้นมันทิ่มแทงโบยติจิตใจตัวจะมองไปทางไหนก็มองอย่างมีงสติ ไม่ใช่ทำด้วยความหลงเพราะถ้าทําด้วยความหลงมันก็จะเกิดความผู้โงประวัประวายนอกจากปล่อยวางอดีตอนาคตแล้วปัจจุบันก็ต้องรี้จัปล่อยวางนะลูกเจ้าเคยตัดสอนพระนันทิยะพระนันทิยะนี้ตอนหลังก็เป็นพระอรหันนะต์นะลูกเจ้าตัลว่านี่ ให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและข้างกลางก็คือไม่ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาค ต, าตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่อใจก็วางซะอารมณ์ใดที่ไม่อใจก็วางซะเขาด่าว่าเราบนบกก็วางกองไว้ตรงนั้นอย่าอารมณ์นับเขาด่าว่าเราในนํา ก็กองอยู่วงางวตรงนั้นอย่าขึ้นโขนะเขาจาว่าเราในงเรื่อกงก็วางกองลงตรงนั้นนะไม่แบบไปที่เชตวันครูเจ้าไม่สอนให้ปล่อย ว, วยอ า, อ า, น า, านเฉพาอดีตอานางสุปัจจุบันก็ต้องปล่อยนะหมายความว่าในปัจจุบันปัจจุบันเราใส่ใจเรารับรู้แต่ว่าเราจะไปยึดติดถือมากเท่าไห ปัจจุบันช่นอะไรเถียงเช่นเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังในห้องนี้เสียงคนพูดคุยกันในห้องนี้นะบางทีเสียงโทรศัพท์ก็ไม่ได้ดังอะไรมากเสียงพูดคุยก็เป็นแค่เสียงกระิบกระซาแต่พอเราได้ยินนะใจเราก็จะไปจู่ไปไปจูจับไปจับจ้องนะที่เสียงนั้นทันทีถ้าเกิดอะไรขึ้น เราก็จะเกิดความหลงิดนะแล้วเราก็จะโมโหเสียงนั้นไม่พอใจต้นเสียงแต่ที่จริง่ที่เราทุกเนี่ยที่เราหลงิดเนี่ยเป็นเพราะไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เป็นเพราะเราไปยึดติดกับเสียงนั้นต่างหากเสียงนั้นมันเบาแต่พอเราไปจดจอยที่เสียงนั้นไปจับจ้องที่เสียงนั้นเสียงมันก็จะดังขึ้นเคือยดขึ้นือ เสียงอาจจะบากวา่าเสียงอาตามาแต่พอเราไปจดจ่อตรงเสีย ง, งนั้นก็ฟังเสียงธรรมาไม่รู้เลือกแล้วมันสนใจแต่เสียงที่กระซิบกระหนข้างาหรือว่าเสียงโทรศัพท์แล้วก็เราก็เลยเงยินเองแล้วเราก็เลยโมโหเองให้รู้ว่าเราเป็นพอ่อจ่ายเราไปจับมันเอาไว้ถ้าเราไม่ไม่วางนะมันก็ไม่หายทุกขนะ์ เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วหลงพ่อชาสุพัฒโทมั่ได้รับนุนให้ไปแสดงทางที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นหลงพ่อสุมเมทโทซึ่งยังเป็นพระสงฆ์อยู่นะพระอาจารสุมเมโทก็ไปด้วยสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดอมรว ด, ดีนะวัดอมรว ด, ดีวัดฝาจิตวิเวกเกิดขึ้นทีหลังเจ้าพาก็ให้หลวงพ่อชากับคณะ น, นีพัก ที่วิหารกลางคืนน อ, อนๆช่วิหาแฮมสเตดและ ว, วิหารเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับย่านเดิงลมมันก็มีถึงกับเดิงลมแบบโชโหนะแต่ว่าก็มีอพามีต์หลายอยู่หลายอยู่หลายแห่งอยู่หลายร้านแล้วทุกเย็นเนี่ยนะเขาก็จะเล่นดนตรีร้องเพลงต่างๆในยุดิสโก้เริ่มมาแล้วนะมันไม่ใช่แค่ิทเทลเอ็กซ์รอยุดิสโก้เสียงกระหึ่มมาก ซึ่ ง, งเกเป็นช่งรเบียบกับที่หลวงพ่อชาเนี่ยพาญาติยโยพาพระ น, นั่งสมาธิเป็นเวลาสิสนาทีนะ่ย็นวันหนึ่งเนี่ยนะหลวงพ่อส ม, มัยโถ่ท่านท่านเล่าว่า เ, เสียงมันก็ประหึ่มเข้ามาในในห้องที่พระโยกำลังนั่งสมาธิพระหลายรูปหลวงพ่อส ม, มัยโถ เ, เนี่ยหน้าตาเรีว่ามีความหุดหิดมาก เสียงดังมารบ ก, กวนมันไม่ใช่แค่เสียงดังเปก่าๆนระ้องเพยงเขาไมเพราะด้วยกิี่เสียงเครียดอะไรตา่างๆแต่ว่าชานี่ท่านนั่งหลับอนั่งสมาธินิ่งมากเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จโยงก็จะเป็นเจ้าง่างก็มาหาหลวพชาแล้วก็ขอโทษ ขอโทษที่มีเสียงโดนตรีมารบ ก, กวนการนั่งสมาธิโลวงพ่ชาก็พูดว่าเนี่ยโยนไปคิดว่าเสียงรบ ก, กวนเราแต่ที่จริงเราต้องหากกับรบ ก, กวนเสียงเขนะ้าใจปหว่าหลวงอชาตัการบอกนะตั้งกับบอกว่าที่เราทุกที่เราหุดหงิดเนะี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียง ไปต่อต้อานผลสายเสียงถ้าใจระวังใจเป็น ก, นกลางๆนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะแต่ใจน่ะไปจดจอ่อจับจ้องแล้วก็ไปทะเลาะกับเสียงนะถ้าสักก่งกระไวได้จได้จริงแล้วก็ปล่อยได้แล้วก็ปล่อ ย, ไ, อ ย, อยนะไม่ทุกข์หรอกแต่ก็ใจนัะไปจับจ้องไปจดจอ่อไปยึดติดที่เสียงนะด้วยอาการผลักใส่ด้วยอาการที่ไม่ชอบน ความทุกข huh. ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ใจไปจับไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แค่เสียงอาจจะเป็นความปวดเมื่อยก็ได้นะปวดเมื่อยตอนนี้หลายคนนั่งอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่จริงปวดเมื่อยเป็นเรื่องของกายนะแต่ปัจจัยไปจดจ่อไปยึดติดความปวดเมื่อยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทุกข์ใจตามมา และทุกจายเนี่ย ม, มันมันกจะมากกว่าหนักกว่าทุกกัายประมาณว่าคูณคูณสามเลยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะมันมีงานวิจัยที่เชื่อเห็นว่าคนเราพอกลัวสักอย่างหรือพอวางใจไม่ถูกเนี่ยความทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเช่นถ้ากลัวเข็มฉีดยาเนี่ยและพอโดนเข็มฉีดยาแทงไปที่ผิวหนังเนี่ย ความเจ็บจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของคนที่เขาไม่กลัวแสดงว่าความกลัวเนี่ยนะมันทําให้ความเจ็บทางกายเพิ่มขึ้นและความกปวเป็นเรื่องของใจก็เรียกว่าทุกข์ใจมันทําให้ความเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นสามถ้าคนเราเนี่ยทุกเนี่ยเพราะเราไปจดจอด่อกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ถึงทเราไม่ชอบเนะ่ยที่จริงเราก็อยากหลักสายนะแต่พอเราหลักสายทีไรเนะี่ยเราก็เสียท่ามาทุกทีมันก็เหมือนกับเวลาพราเนี่ยนะเขาจะเขจะดับหรือจับไก่หรือนกเนี่ยเขาใช้นกตอยหรือใช้ไก่จากถิ่นอื่นมาให้มาดูในถิ่นของไก่หรือนกที่เขาต้องการจับ นกลอกกา ม, ามันไม่ได้เสียงสัตว์แปลหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปไล่แต่ทันทีที่มันเข้าไปไล่นกหรือเข้าไปไล่ไก่ที่เขาทำเป็นนกต่อเนี่ยก็จ ะ, ะก็จะติดบว่วงติดบ่วงที่พรา น, น า, ลาล่อเขาหลอกเอาไว้จากพูดอีกย่างก็ได้ว่าพระมาเนี่ยมาเนี่ ย, ม, ยมัน มันทักมันจะหลอกเราด้วยการลอกด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบและพอเราเข้าไปผลักสายมันเราก็จะติดบ่วงของมงันผลที่ตามมาคือความทุกข์ยิ่งผักใส่ยิ่งยึกติดบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความปวดความเมื่อยนะแต่ว่ามันมีความทุกข์ใจ เพราะแบกปัญหาเอาไว้ปัญหานี่เป็นธรรมดานะ้ไม่จะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาในการทํางานมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไปพราะคนเราเป็นแบกเอาไว้เราจึงทุกข์เราไม่ไทุกข์เพราะปัญหาแต่เราทุกข์เพราะแบกมันเอาไว้ก้อนถึงนะถ้ามันวางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันทําให้เราทุกข์นะ จะมีหญิงกี่ก้ก็ตามเนี่ยหนักแค่ไหนมันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกมันทุกต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อเราไป็แบกภันปัญหาที่มีในชีวิตในการทํา ง, งานในครอบครัวมันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกแต่พราะเราไปแไ็แบกเอาไว้แบกก็ที่ไหนแบบว่าที่ใจนะเคยได้ยินวาที่พวกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้หีใอไกลุ้ม ปัญหามี้ิธีแก้มีปัญหาก็แก้ไปแต่คนส่วนใหญ่นะ่ไม่ทันจะได้แก้ปัญหาก็ก็แบบเอาไปเลยแล้วพอแบบปัญหาเนี่ยเหมือนก็แบกหินนะก็ฟ้องแต่พูดว่าทําไมหินมันหนักเหลือเกินทำยังไงหินจะเบากว่านี้นะเอาเครนมาช่วยดึงนะให้หินมันเบาได้ไหม จะไปบนว่าทำไมหินมันหนักจะต้องถามว่าเร า, เราแบทําทำไมวางมาลงซะแล้วเคยมีนายตำรวจคนนึงเมื่อทั้งสามสบส0่ปีก่อนเนี่ยเคยเป็นนายตหรวจที่ซื่อสัต์มากแล้วก็วันหนึ่งก็ไปกาปราบหลวงพ่อชาแล้วก็บน่น ว, ว่ามีปัญหาสารพัดเลยเจ้านายก็ไม่เป็นธรรม นะชอบคนประจบซอพรอทําทำดีแค่ไหนก็ออยังเพียงใดก็ไม่ได้การเลื่อนขนเพื่อลงนายก็คอยแทงข้างหลังเลื่อยขาเข้าอี้พระบทนะทำนองท้อแท้อยากจะเอกาจากราชการเพราะรู้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีบ อ, อกวราชาวบ้าฟังสักพังหนึ่งเก็ ท่านทองจึงจบนะแล้วก็ถามนาตำรวจท่านนั้นเนี่ยเห็นเห็ก้อนนะั้นไหมเห็นที่อยู่น่ากติทรามเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกบรวัยไมไม่ไหวครับเออไม่แบบก็อย่าแบกมันนะเนะท่านี้เนี่ยนายตำรวจเท่านั้นก็เก็ตเลยนะโอ้เราทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหานะแต่ทุกเพราะแบกบปัญหา ที่องามว่าทำไมถึงแบบก็พอลืมตัวเพราะไม่รู้ตัวก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่เขาคิดถึงแต่อดีสามีที่ทรยศถลกหลงังทั้งที่รู้ว่าคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วรุ่มร้องใจแต่ก็ยังคิดในฐานในตัวตนนั้นเนี่ยทั้งที่รู้ว่าคิดถึงปัญหาแล้วมันก็ทุกข์หนักใจแต่ก็ยังคิดเหตุผลเดียวกันก็คือไม่รู้ตัว เพียงแต่ว่ากรณีทีมีวันนั้นเนี่ยมันคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วส่วนกรณีของตำหนจท่านนี้เนี่ยคือเรื่องที่ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่องที่ยังยังมีอยู่อะไรเกิดขึ้นนะที่มันเป็นปัจจุบันเนะ่เราจะทำให้มันหายไปไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่หายไากลับไปในทันทีแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือวามงมือ เจ็บป่วยเจ็บป่วยก็ไม่ต้องบน่นอย่าไปบน่นตีป่วยตีพ า, าให้มันป่วยแต่กายนะแต่ก็ใจยอมรับไม่ได้ใจไปยึดติดไปคิดถึงแต่เรื่องความเจ็บความป่วยอาการในสุขเลยมีตัวอย่างเยอะนะที่พอใจมันจมจออยู่กับปัญหาในปัจจุบันแล้วเนะี่ยร่างกายจิตใจม็แย่แนละ้วผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่รู้ตัวเป็นอะไรก็ไปหาหมอเ ข, า, ขาเขาออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งตรทั้งวันหมอบอกว่าถ้าถ้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไปเกินสามเดือนก็ตกใจมากคิดไม่ได้นอนไม่หลับคุ่นคิดนะแต่เรื่องความเจ็บป่วยรวมทั้งคิดคุ่นคิดถึงเรื่องอนาคตก็คือความตายที่จะเกิดขึ้นนึกไปถึงว่าถ้าฉันป่วยหนักเข้าไปซียเนี่ยใครจะใครจะดูแลฉันถ้าฉันตายลูกลนะ ใครจะดูแลหลานหรืใครจะดูแลอนาคตทั้งนั้นจากขณะเดียวกันก็ไปคิดถึงว่าเนี่ยใจมันตกดจอดแมะเร็งมะเร็งมะเร็งซึ่งกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของจิตใจก็พ่อเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวาอยู่ได้แค่12บวันก็ตายแค่12บวันเท่าั้ที่หมอบอกว่าเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสาเดือนคนบางคนเนี่ยนะเขา ก็ปล่อยวางได้ก็าสามารถจะอยู่ได้เกิน3ปีบางทีอยู่ถึง3ปีได้ซะปล่อยวางหมาควาว่าเออมันป่วยการก็ช่างกันก็รักษาไปตามสภาพตามอาการนแต่ว่าใจไม่แบกใจไม่ใจไม่กลุ่มถึงเวลานอนตอนตอนะไม่เอามาคิดปัจจุบันเนี่ยยังหมายถึงความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นนะ วเวลาทางานก็มีความไม่ส่องความเกิดขึ้นเจอความล้มเหลวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เราต้องรู้จักวางเพราะถ้าเราไม่รู้จักวางเนี่ยเราจะพอเราจดจ่อถึงสิ่งนั้นเนี่ยไม่ทําให้เราไม่เห็นสิ่งอื่นที่มันเป็นสิ่งดีๆที่จะให้ความสุขกับเราได้ทั้พวกเราที่นี้ธรรมาช ว, ว่าถ้าทุกคนรู้จักซิกโก้ซิโก้กินศักดิเสนาลง ก่อนนี้ก็จะเป็นเป็นโค้ชทีมชาตนะิที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตารนะ์ของประเทศประสบความสำเร็จมากในการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติตหลังก็ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มาเลเซียสิงคโปร์เวียด น, นามต้หลังสโมสรอังกฤษนะดิวิชั่น1สมัยนั้นเป็นดิวิชั่น1น เขาก็สนใจก็ซื้อตัวซิโ ก, โก้ก็เป็นขา่าวยหญ่เมื่อเกิด20ปีที่แล้วคนไทยก็ดีใจว่านักกีฬาไทยจะได้ลงสนามในสโมสรกตรีทแล้วนั่นก็เป็นความฝันของซิโก้แต่ตัวแตัวลอาซิโก้ก็ไม่เคยได้ได้ลงสนามเลยนะได้แต่นั่งข้างสนามเป็นตัวสำรอง จนกรทั้งจบฤดูดดกาลเขาผิดหวังมากเขาเสียใจมากรู้สึกว่ากาลับไปฝังกรีนคันั้นเนี่ยสูญเปล่าเสียเวลาใครมาถามเพื่อนนึงเนี่ยาก็ไม่อยากจะพูดแต่ผ่านไปหลายปีเนี่ยมีคนถามเรื่องนี้ครานี้เขายิบนะเขายิบแลยพวกมันไม่มีอะไรแต่ผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็นคิดมากไปเอง แล้วแกอธิบายว่าเนี่ยไปอีกครั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่ได้กันได้ได้บ้านได้รถยนต์ได้ภาษาได้พัฒนาทักษะร่างกายนะแล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้พบคนมากมายที่น่าสนใจได้เดินทางแล้วก็ได้สัมผัสเรียดที่มีสีรษะที่สุดในโลกเพียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนัแกจดจ่อยรือว่าฉันไม่ได้เล่นเนี่ยจดจ่อยความไม่สมหวัง ลืมมองว่ามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองมัง้งนะยังดีนะที่เห็นนะแต่ว่าก็ท mm hmm. ุกทุกไปหลายปีเจโร่ทุกฟรีๆก็ไดนะนะ้เพราะว่าตัวเองได้าุกาอย่างนะแต่พอไปจดจอยอยกับไอ้ความไม่สมหวังซึ่งมันก็เป็นปัจจุบันมาตอนนั้นอนะตอนนั้นเนียมันไม่สงหวังนะแล้วก็จดจอยอยู่นั่นะูไม่ได้เล่นผู้ไม่ได้เล่น แต่ที่จริงที่ได้มาเยอะแยะเนี่ยนะตอนนั้นมองไม่เห็นแต่ถ้ามองเห็นนะจะไม่ทุกข์มากนะ เ, ออเราเสียหนึ่งนะแต่เราได้ตั้งแปดนะไม่เป็นไรอันนี้ก็เรียกเป็นการที่เป็นเรียกเป็นความทุกข์ที่ตัว ก, การไปยึดติดในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะก็คือความไม่สงบทีเะเป็นความนุ่มเหลวก็ได้จะไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปจดจ่ะตรงนั้นอย่าไปจน หมอไม่เห็นอะไรเหมือนกัวอย่างที่อาจารย์เป็ดพูดถึงคนที่เสียดายที่ไม่ได้ดูพระฤติตกดินจนลืมมองท้องฟ้าคนท้องฟ้ามันสวยมากเลยไม่ยิดระยษทั้งหมดหลายคนพลาดของดีๆนะนสูญเสียโอกาสดีๆที่จะให้ความสุขกับเราเพราะว่าไปจดจ่อยอยู่กับแต่สิ่งที่มันเป็นอดีตก็ตามเป็นปัจจุบันที่เป็นโรฏจักร กรณีสิโกลนมันทำให้ชี้เห็นอีกอย่าง น, นนะก็ะคือว่าคนเราเนี่ยเวลาจะสูญเสียอะไรเนี่ยหรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันมักจะจดจ่อของสิ่งนั้นมากแลตรงนี้ก็เป็นที่หมายความทุกข์มันมีการมันมีอาจารย์มหาเทาระอาวุธ น, นะแกเคยเล่นทำกิจกรรมการศึกษากิจกรรมนั้นง่ายมากเลยเป็นท่ศึกษา คณะบริหารธุรกิจนะั้นก็คือว่าแกมีแบงก์ดอลลาร์อยู่20ดอลลาร์แล้วก็ให้คนในห้องประมูลใ ค, ใครได้ใครประมูลด้วยราคาที่ต่ำราคาราคาที่สูงสุดได้เป็น20ดอลลารนะ์และเชื่อไหมว่าผลประมูลเนี่ยทุกครั้งเนี่ยคนตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ 16,17 หรือเปล่าสิบแปดตัวเลขอย่างที่เกินเกินเกบางคนได้แบง20ยีดอลลาร์โดยจ่ายถึง90้าสหรือร้อแต่คนจ่ายเนี่ยไม่ใช่คนประมูลนะัการประมูลเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆว่าใครที่ให้ราคาสูงสุดได้ไปเลยยี 20, ด่ดอลลาร์ แต่คนที่จ่ายเนี่ยคือคนที่ให้ราคาเป็นอันดับสองก็คือที่สองนึงคนที่ให้ให้ราคาเนี่ยเป็นอันดับสองเนี่ยนอกจากจะไม่ได้แบงก์ยี่สิบดอลลาร์ยังนะนะต้องจ่ายและนี่คือว่าทำไมเนี่ยพอเล่นไปเล่นไปนะพอถึงสิบหกสิบเจ็ดอลลาร์นะหลายคนก็เริ่มถอนตัว และสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแค่สองคนและสองคนที่ก็พยายามที่จะประมูลสู้คนที่คนที่ให้ราคาสิบนะอีกคนก็จะให้ราคา17คนที่ให้ราคา16ก็จะเพิ่มเป็นสิปไอคนที่ให้สิบเก็จะเพิ่มเป็น19แล้วคนที่ให้ราคาสิปก็จะให้ยี่สิบ แล้วก็จะทับมันทบกักนไปทุกต้นมานจนกรทั้งถึงร้อยสองร้อยแปลกไห่ดอลลาร์เนี่ยแต่จ่ายร้อยถึงสองร้อยดอลลาร์โง่องฉลาดแ้ถ้าจ่าย16ดอลลาร์เนี่ยคุ้มใชม่อาจารย์แกบอบกแกบบแกบบมาทุกครั้งเลยวนะแกบบลงทุนด้ี่20ดอลลาร์แต่แกได้ร้อยถึงสองร้อยดอลลาร์ทุกครั้งหนึ่งจ่ายตั้สามร้อเลย พ่อไรู้นะเหตุผลง่ายเราบอกว่าเป็นพ่อคนไม่อยอกแพ้ถ้าคนต้องการเอาชนะนะต้องการเอาชนะความอยากเอาชนะทาให้ลืมตัวลืมไปว่าเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แ, แต่ตอนนี้พี่เป็นเพ่อมันไม่ใช่พ่อคมอยากเอาชนะเราเป็นเพราะไม่อยากแพ้หรือไม่อยากเสียเ ง, งินเพราะปฏิกริริยานที่ว่าใครให้ตัวเลขเนี่ยเป็นที่สองเนี่ยจะต้องจาบนะ สมมติว่าเนี่ยทีแรกเนี่ยตมาให้ไป16อีกคนนึงบอก17ถ้าอยู่ตรงนั้นนะตมาก็จ่าย16ใช่ไหมไม่ยอมจ่ายไม่อยากจ่ายก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น18ไอคนที่ให้ราคา17เนี่ยมันก็กลัวเสียถ้ามันไะม่ถ้ า, ถ, าถ้าไม่เล่นต่อก็ต้อง19ที่จริงถ้าฉลาด น, น ย, ยอมเสียทั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย ก็เสียแค่ส6บหกสบเจ็ดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยอมเสียเนี่ยสุดท้าไปเสียที่ไหนร้อยหรือบางคนเสียสองร้อยธรรมชาติคอเราไม่ยอมเสียพอจะเสียแล้วม็นไม่อยาดนะหวงแหงฐานที่จะเสียน้อยก็เลยไเป็นไงเสียมากนะถ้ารู้จักไหนไหนจะเสียเนี่แล้วก็ยอมปล่อยเลย ย้ปล่อยวางสิ่งที่เรากำลังจะเียไปย้อนปล่อยวางตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันไม่เท่าไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ย้อนปล่อยตั้งแต่ตอนแรกๆจะเพราะความเสียดายเพราะความจะติดก็กตั้งแต่ก็เหมือนกับพฤติกรรมนี้นเหมือนกับเวลาเล่นหุ้นนะอาจารย์ในขั้นการอธิบายว่าทำวัยเนี่ยแบ่งเม้าที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะคือคนที่ซื้อหุ้นเไว้สมมติซื้อวัดซื้ อ, ซ, อซื้อร้อยหนึ่ง พอขึ้นมาตกเป็นเก้าสิบแปดหรือเก้าสบเจ็ดเนี่ยเขาขายตอนนั้นเนี่ยเขาขายคุนแค่บาทสองบาทแต่เขาเนี่ยไม่ยอมเสียก็ไม่ยอมขายและคิดว่าเเดี๋ยวรอไปสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวพุ้นก็ตีขึ้นเป็นร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยสาม แต่พุ่นเนี่ยมันก็ตกมา98 97 96ยิ่งตกมากๆเนี่ยยิ่งไม่ขายอย่าเลยเพราะถ้าขายก็ขาดทุนหนักกว่เดิมก็กาะต่ อ, อไว้สุดท้ายเป็นไงพุ่นราคาแค่สรึงเดียวถ้าขายใน้งแต่ตอน98 99ทำไก็าขาดทุนไม่เท่าไหร่ทำไมแต่ความโหงหายความยึดติดนะไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองไม่อยากให้เงินมันสูญหายไป ก็กายปว่าทําให้สูญเสียหนักขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะคือถ้าปล่อยวางตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันก็เสียนิดหน่อยหรือผู้อย่างที่จเจ็บตัวนิดหน่อยแต่พอไปยึดมากๆเขานี่เหมัอนก็เลยเสียหนักเปลี่ยนมือเก่านะให้มองให้เป็นรูปธรรมคือว่าสมมติว่ามีตู้เงินหรือว่ามีขีดเงินเนี่ยนะขนบรรทุกหีดเงินเนี่ย ในเรือแลว้วบนเรือมันจะล้มนะและหีบเงินเนี่ยมันก็กําลังจะตกทะเลจะมีคนจะนอนไม่นอนนะที่จะไปไปกอบหีบเงินเอาไว้เพราะอะไรเพราะกลัวสูญเสียทนไม่ได้ที่จะเสียมันไปก็ไปก่อบ น, นเอาไว้เพราะคิดว่าถ้าไปกอบ น, นเไว้หรือถ้ามันตกทะเลไปแล้วคิดว่าจะกู้มันได้กู้มัได้นะฮหีบเงินนี่ย หลายคนายคเ่แชรที่จะปล่อยมันไปเพราะถ้าปล่อยนะก็เสียแต่งเงินนะชีวิตไม่เสียแต่คนจะ้องไม่น้อยไปก่อนมันเอาไว้เพราะทาใจไม่ได้ที่จะเสียมันไปก็เลยเป็นไงฮนะเสียท้งเงินเสียท้งชีวิตเสียหนักกระตือเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยมันสอว่าต้องปล่อยนะเมื่อถึงคราทต้องสูญเสียต้องปล่อย แล้วถ้าปล่อยตอนแรกๆเนี่ยมันจะเสียหายน้อยกว่าการที่เป็นยึดเอาไว้จนกระทั่งในสุดมันต้องปล่อยหรือบางทีก็ไม่อยอมปล่อยจนนาทีสุดท้ายเพราะนั้นเนี่ยน อ, อยจาปล่อยอดีตปล่อยอนาคตนะปล่อยปัจจุบันนะเราต้องกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่เราเริ่มจะสูญเสียไปก็คือยอมเสียเพราะถ้าเสีย ตอนต้นๆเ น, น, นี่ยนะมันจะเสียหายมากก่อนไปยึดอนเอาไว้จักระทั่งในที่สุดก็ต้องปล่อยด้วยความสูญเสียยิ่งกว่าเดิมปล่อยออย่างหนึ่งนะคือปล่อยการเปรียบเทียบคนทุกวันนี้ทุกเพราะการเปรียบเทียบเยอะนะะก็เคยมีการสอบถาม ผู้หญิงที่หน้าตาดีในอเมริกาเขาเลือกจอดรงนะจะสอบถามแต่เฉพาะคนที่หน้าตาดีเตุผลก็เพราะคือว่า 90% เนี่ยไม่พอใจรูปร่างหน้าตาของตัวที่ไม่พอใจเพ่างหไรเพราะเปรเียบเทียบตัวเองกับตาราต่างแบบซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นได้ง่ายนะสมัยก่อนอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่เห็นคนที่สวยกับตัวะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันคือหมู่บ้านสามารถจะเห็นผู้คนก็เห็นคนที่หน้าตาสาสวยกว่าตนเองทั้งนั้นดารานางแบบออลิวู๊นะจีน ญ, ญ, ญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่แต่ในมืองไทยแล้วก็เปลี่ยนเที่ับตัวเองว่าที่คเราสวยสู้เขาไม่ได้เราอ้วนของเขาเราตามให้คน สารพับถ้าคนที่วันนี้ถึงแม้หน้าตาดีแค้ไหนก็ยังมีความทุกข์เพราะการเปลี่ยนที่หลายคนทุกข์เพราะการเปลียนที่ว่าคนเขรวยกว่ามาริชิพาก็เคยสอบถามคนประมาณสาม0ันคนนะอายุตั้งแต่ห้าสิบห้าจนถึงแปสิบถามว่าตอนนี้เนี่ย สุขภาพเป็นอย่างไรให้คะแนนสุขภาพของตัวเองแค่ไหนมีโรคประจาตัวอะไรไหมแล้วก็ถ้าเทียบกับให้ลองให้ลองลองบอกซว่าสถานะภาพังกาของตัวนียเมื่อเทียบกับครอบครัวคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อโรองงานเพื่ อ, องงนออบ้านเนี่ยตัวเองเนี่ยสูงต่งกว่าคนเหล่านี้กว่าคนในเครือข่าย มากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้ที่เขาพบคือว่าคนที่คบคนที่รวยกว่ามีโอกาสจะไปรั้วใจมากกว่าคนเหล่านั้ น, นถึง 20% อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแม้วทั้งคนที่มีฐานะดีนะ คนี่มีฐานะเป็นคนรวยแต่ถ้าเกิดว่าเครือขา่ายตัวเองเนี่ยเช่นครอบครัวเพื่อนบานเพื่อนรงงานเขารวยกว่ามีโอกาสจะไปรบหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 25% เมื่อเทียบกับคนในเครือขา่ายทำไมถึงเป็นเพราะเครียดเครียดพอเจอคนที่เขารวยกว่า เ, เราทูกถึงแม้ว่าเรารวยอยู่แล้วน อันนี้เป็นโลกที่เกิดจากการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้รวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขนะถ้ า, ากว่าอยากเปรียบเทียบถึงแม้สวยแค่ไหนก็ยังไม่มีความสุขถ้าเปรียบเทียบถ้าถึงแม้จะมีสามีจะมีลูกดีแค่ไหนก็ไม่มีความสุขถ้าเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งเขมีสามีดีกว่าเรามีภรรยาดีกว่าเราหรือมีลูกที่เก่งกว่าลูกของเรา การเปรียบเทียบ่ยมันทาให้ผู้คนมีความทุกข์มากนะไม่ว่าจะดีแค่ไหนว่าจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าจะสวยแค่ไหนไว่าจะรวยแค่ไหนก็ทุกข์เคยมีคนถามคนอเมริกันว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะท่าคนมีความสมุขชายที่คนนี้ตอบว่าล้านสองล้านสิบล้านยี่บล้านเขาตอบว่าไงก็ตอบว่ามากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ แต่ว่าถึงแม้คุณมีร้อยล้านเนี่ยคุณก็ยังไม่มีความสุขจนกว่าคุณจะมีมากกว่าคุณจะมีมากกว่าแล้วที่อยากมีมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเห็คุณมีก็มีมากกว่าก็อยากจะมีมากกว่าบ้างและมันเป็นกับคนทั่วไหมดนะฮะแม้แต่คนที่สนใจทำวมดอาตมา เคยไลฟ์ฟังหายที่เลย เ, เคยไปบรรยายที่สวนโม่ตอนะบรรยายจบ ก, ก็บอกว่ามีหนังสืออยู่นะแต่ว่าหนังสือไม่พอบางคนเขาไม่ไดนะ้แล้วก็หนังสือพื้งแรงเนี่ยมาให้หนังสือก็ขนาดเท่านี้ก็จ่ายจนหมดพึ้นคนที่ไดาก็ดีใจพอพื้นที่สองมาเนี่ยหนังสือี่มันใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของเนี่ย คนที่ได้เล่นเล็กไปนะพึ่งแรก น, นะนะต้อง ม, มีความสุขนะมีคนตัว ม, มาขอเปลี่ยนได้ไหมขอเล่นใหญ่ยังไม่ทันได้อ่านเลยเรารู้ได้อย่งไรแล้วมีเพื่อนว่าไม่เห็นปกนี่นะว่าชื่อปกอะไรเมื่อสองสาวทีก่อนจะมาไปบรรยายที่วัดหนึ่งก็คนนี้มีทั้งมีทั้งเล่นเล็กก็เล่นใหญ่ถ้ า, าทุกคนเนี่ยจะขอเล่นใหญ่นะ แล้วพอเล่มใหญ่ก็เสียใจที่ได้เล่มเล็กนะทั้งที่เล่มใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอ่านไปแลจะชอบหรือป่านนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของของ้ขอคำเขียนในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เดียวนะกันก็มปนว่ามันจะตรงความต้องการเข้าดูเปาแต่เนี่ยมันเป็นธรรมดมันเป็นธรมรมดาที่เกิดขึ้นกับ ทุคนจะไปเชี่ย ว, ยวยฉันไม่ใช่คนรวยฉันไม่ใช่คนสวยฉันไม่ใช่เป็นคนที่บ้าแฟชั่นฉันไม่เป็นหลากไม่ใชนะบางทีเราไปไปห้างไปไปห้างสรรพสินค้าก็ามีของลดราคานะของห้าพันเขาลดเลล 3, 000, หลือสามพันเราซื้อเราดีใจเอากลับออกบ้านแต่พอราลวกเพื่อนบ้านเนี่ยเขาซื้อห้างเดียวก็ซื้อของชนิดเดียวกันแต่คนละห้างเขาซื้อได้สองพัน จากดีใจเป็นเสียใจเลยนะคิดทั้งคืนเลยกูไม่รีบซื้อเลยนะถ้าถ้าไม่ซื้อนะเราได้ขายเด็เพื่อนบ้านนะควรรู้เรื่องไปซื้อในร้านเดี็กของเพื่อนบ้านนะจะได้ถูกกว่าด่าตัวเองวนะ่าทําไมรีบซื้อทําไมโมง่เงี่จริงน่าจะน่าจะดีใจนะเพราะเราซื้อได้ถูกกว่าราคาที่เขาวางขายเพนาะนี้เราปล่อยวางการเปรียบเทียบลงบ้างก็ดีนะ กีรกรื่องนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่เหนกันนะปล่อยวางเรื่องของคนอื่นายคนเป็นทุกข์เพราะเรื่องของนื่นซึ่งบางทีเหมือนกับเป็นเรื่องของเราชเช่นเราไปช่วยใครแล้วคนนั้นเนี่ยเขาไม่สนุกบุนของเรา ว่าเราโกรธมากเลยนะที่จริงถ้าเขาไม่สนุนบุญคุณของเราเนี่ยเป็นเรื่องของเขาการที่เขาไม่สนุนบุญคุณของเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของใครเนี่ยคือว่าเขาต้องรับกรรมเขาเองเมื่อคุณได้รับความช่วยจากกายที่คุณไม่อยู่ความกตัญญูรุษคนคุณในละคุณเนี่ยคุณก็ต้องรับกรรมคุณไปแต่ละคนเป็นทุนแล้ววันเนี่ยเขาไม่สนุนบุญคุณของฉัน การสมุนบุญของเขาเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือช่วยกดที่เขาเดืดร้องถ้าเราช่วยใครแล้วเขาไม่สมุนบุญของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเพราะช่างเขาไปทำไมเราต้องเป็นทุกด้วยทำไมเราต้องเอาพฤติกรรมเขาเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเรามีคนเขาทำไม่ดีกับเรา เราก็โปรธเพราะว่าเขาไม่มาขอโทษเราการที่เขาไม่มาขอโทษเราเนี่ยเป็นเรื่องของเขาคนเราเนี่ยเมื่อไปทําความดุร้ายเพื่อเก็บใครนะแล้วไม่รู้กับแผลใครเนี่ยมัเป็นกรรมของเขาเขาไม่ม หน้าที่ของเราคือว่ารักษาใจตัวเองรักษาใจเัวนคือว่าเราก็ไม่โกรธเพราะถ้าเราโกรธเนี่ยเรากำลังทำร้ายตัวเองสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังข้ามถนนแล้วมีลรถเฉียวชนจนขาหากักแล้วรถคันนั้นก็หนีไปต่อมาก็มีรถพยาบาลเนี่ย มารับผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปโรงเยียนวะผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะไม่ไปจนกว่าไอ้นั่นเนี่ยจะมาขอโทษฉันก่อนผู้ชายคนนัาาน้นฉลาดหน้าที่ของเราคือรักษาตัวให้หายจากความเจ็บป่วยส่วนหน้าที่ของติเกีนั้นคือรู้สึกสำนึกผิดและมาขอโทษถ้าเขาไม่สำนึกผิด ก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคืต้องรีบไปโรงพยบาบาลใช่ไหมเวลาเราเจ็บป่วยกายเราทําอย่างนั้นใช่ั้มแต่ทําไมเราปวยใจเราปวดใจทําไมไม่ทำอย่างนั้นเวลาเราปวดพยบาบาลเนี่ยเรากำลังมีแปลว่าบาดแผ้เรากำลังเกิดขึ้นในใจเราก็ต้องรีบเยียวยาเยียวยาด้วยกันให้อาหารไปนะส่วนเขาจะมาสําึกผิหรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่สำนึกผิเทำไมเขาไม่ขอโทษก็เป็นเป็นกรรมเขาเองเ้าก็ต้องใช้กรรมเขา ทำไมเองไปทุกข์ทำไมต้องไปเดือดร้อนที่เขาไม่มาขอโทษเราด้วยเพราะหน้าที่ของเราก็คือดูแลรักษาใจของเราดูแลรักษากายของเราหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์เาไปเอาเรื่อ ง, อ, งอื่นมาเป็นปนัญหาของเราลูกหลายคนมีลูกบางคนเนี่ยทุกข์มากเลยนะดูแลแม่นี่กำลงงังป่วยแล้วก็มโมโหพี่พี่หรือน้องๆว่าไม่ดูแลแม่เลยไม่สนใจแม่เลย อาตมา ก, ก็บอกเขาว่าเขาไม่ดูแลแม่เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเขาคือต้องดูแลพ่อแม่แถ้าเขาไม่ดูแลพ่อแม่เขาก็รักกรรมเขาเองเราจะไปทุกข์ร้อนกับกรรมของเขาเลยหน้าที่ของเราคือดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วก็ดูแลจิตใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยโมโหโกรธาที่คนอื่นไม่ทําหน้าที่ของตัว เอาปัญหาเอาเรื่องเข้ามาเป็ปัญหาตัวเองของตัวเราเองแล้วก็ลืมทําหน้าที่ของตัวเราเองคือการดูแลจิจตใจเจ้าปฏิบัติธรรมคนงุนงิดมากเลยไอ้เพื่อนข้างๆเขาไม่ปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของเราเนาะอาจตะเหละทำไมไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะนสะปร่งโง่เนี่ยชอบเอาเรื่องขึ้นมาเป็นปัญหาของไปไปรรเราใช่ไหม จำลอ น, นก็นลูกพี่น้องเขาจะไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทาความกการับกรรมเองถ้าเราไปไปทุบร้องตัวเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่ทาหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราประการดูการอุปการะใจของเราให้ทุกใช่ไหมต่อไปเรื่องตื่นมาซ้ำเติมเรื่องใหม่ อันนี้เราพวกหลายคนเนี่ยเป็นทุกเขราไปเอาเรื่องคนอื่นมาเ ป, ปน็นปัญหาตัวเองถ้าเราแบ่งแยกให้ดีเนี่ยนะเออใครก็ทําให้ดีก็เป็นเรื่องของเขาไปแม้กระทั่งเขาอุ้งงานเขาอุ้งงานเข้าไปเรื่องของเขาจริงอยู่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเราหรือว่าเช่วยทําให้เราทํางานหนักมากขึ้นแต่การที่เราทํางานหนักมากขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเลย เมื่อเทียบกับการที่เรามุดหงิดลําทามโกรดโมโหคนๆนั้นที่เขาอุงงหนะถ้าเราปล่อยวางไปบ้างนะทางหน้าที่นะของเราดูแลจิตใจขขงให้ดีเนะี่ยเราจะทุกข์น้อยลงอาตมาเคยเล่าให้ฟังอย่างหนเรื่องของเด็กเด็กผู้หญนะิงวัยสิบสามที่ เขาได้รับเชิญไปออรายการะเป็นเด็กของไทยทีเอเมื่อหลายปีก่อนแต่ก่อนเป็นรายการโรทัศทุกอาทิตย์นะเอาเด็กมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทุกอาทิตย์เด็กวัยแปดขวบบ้าง9ก้าขว้างเด็กคนนี้วัยสิบสองสิบามก็มีคนมาล่วมรายการอยูสามคนกิจกรรมมันกคือคนขอขึ้นเลืไฟวันนั้นเนี่ยนะเพอร์เอร์ สมจิตโจรเจาะหอขึ้นชก ม, มีการถ่ายท่อส่ง เ, เรา่อรู้จักสมจิตนะทำชกเป็นตรงอดีตมีการถ่ายท่อส่เด็กสองคนนี่เนี่ยก็แวะไปดูโทรทัศน์ดูการถ่ายท่อสดก็เหลือให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงที่สิบษาเนี่ยขนของคนเดียวเกีคยนขอ ง, ของด้วยความตั้งใจมากพิธีกรเห็นต้อแปลกใจก็เลยไปถามว่าเนี่ยคิดยังไงที่เพื่อนเขาไปดู สมจิตโชคแล้วก็ปล่อยให้เราทางานคนเดียวเธอเบอกว่าเห็นใจเพาะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนูไม่ใช่แสมจิตี่เปยังไอใจถามอีกแย่เลยนะแล้วหนูไม่กรธไม่คิด่าจะด่าว่าเขอที่เขาทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวเด็กตอบดีนะเด็ตอบว่าหนูขนของครไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปกรไปด่าว่าเขา้หนูก็เหนื่อยสองอย่างนเวาเราจะแีอยกอย่างนะ คนฉลาดหนึอย่างเดียวนะแต่คนสัญญาลืมที่อื่นหนึ่งสองอย่างทํำไปกระด่าไปยังไปก็โกรธเขาไม่ทําไปเรื่องของเข า, เย า, าพอย่างเป็นปัญหาของเราพราะความเป็นปัญหาของเรานะมันคือการซ้ําเติมตัวเองมันแสดงว่าระบอบคร่องในเรื่องหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการดูแลแลกษาใจไม่ให้ทุกคนที่รักตัวเองเขาตองพยายามษาใจไม่ให้ทุกถ้าปล่อยใจให้ให้เต็มด้วยความโกรธแสดงว่าโอบคล่องในหน้าที่แสดงว่าไม่รักตัวเอง คนที่พอเงินหายแล้วกู้หมดกู้ใจจนไม่กินไม่หลับไม่ได้่อนนี่แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองนะรักเงินมากกว่าเงินหายเนี่ยู้หมดกู้ใจนะสร้อยเพชรหายกู้หกู้ใจจน ก, กินกไม่ได้นอนไม่อลันี่แสดงว่ารักเงินรักสร้อยมากกว่ารักตัวเองแลถ้าคนไม่ได้รักตัวเองก็ถือว่าบมคร้อมก่อนหน้าที่รักโดยหน้าที่ของตัวแล้วคนเป็นทุกข์ก็เห็นนี่มากนะเอาเรื่องของคนอื่นมาเ ป, ปน็นปัญหาของตัว แล้วก็จะมีเหตุผนลนมากมายว่าจะต้องโกรธต้องแครนะ์ที่เขาทําไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขานะแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วนะพ่อแม่ทําไม่ดีนี่นะเช่นพ่อแม่อาจจะเล่นการทํางานเป็นหนี้เป็นสินมากเนี่ยบางคนเนี่ยมีความทุกข์มากนะอาภาัยพ่อแม่ที่มีนิสัยแบบนั้นแล้วก็เลยพานที่จะไม่ไม่ไม่ดู แ, แลเขา หน้าที่ของลูกคือดูแลพ่อแม่ก ต, มตัญญูต่อพ่อแม่ส่วนถ้าแม่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นเรื่องของเขานะถ้าพ่อแม่โกรธเคืองในหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของเราคือกตอัญญูรูกคุณตอบแทนท่านแม่พ่อแม่จะเล่นการพนันพ่อกินเหล้ามันก็ไม่ใช่คนที่ทาให้เราละเลยหน้าที่ของเราตอบแทนรู้คุณท่าน หรือว่าถ้ารักท่านได้ก็ยิงดีแต่หลายคนเอาเรื่องของพ่อแม่เนี่ยมาเป็นปัญหาของเราแล้วก็เลยพลอยไม่ทำหน้าที่คือไม่ดูแลท่านไม่มีความกตัอยูท่านนี่ต้องใยฉันนะว่าเรื่องใครก็เรื่องเขานยะอย่าเอามาทำให้หน้าที่ของเรามันเสียไป ที่พูดมาทั้งหมดนะฮะปล่อยวางหลายอย่างนะจําได้บ้รัปล่อยวางอดีตนอนาคตปัจจุบันนะแล้วก็สิ่งที่เราสิ่งที่เราังจะสูญเสียปล่อยวางการเปรียบเทียบแล้วปล่อยวางเรื่อ ง, งอื่นๆกเรื่องซึ่งอาจจะจํายาก น, นะเอาแค่อย่างเดียวพอ น, นะถ้าถ้าอยากจะปล่อยวางนะปล่อยวางความคิดในตัวกูของกูนะ เอาแค่ข้อเดียวออกนะแล้วถ้าคุณทําข้อนี้ได้เนี่ยนะไอ้ข้อไอ้หกข้อที่เหลือเนี่ยมันทําได้เองแลายคนบอกจำยากหกข้อเอาข้อเดียวมาปล่อยวางตัวกูของกูง่ายหรือปล่อยวางความยึดในตัวกูของกูพราถึงที่สุดแล้วในความทุกคนเราเนะถ้าสาวเอมจริงเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละก็คือมีความคิด ยึดในตัวกูของกูเพราะว่าเงินของกูมันกาลังจะหายไปไมันกจะสูญไปก็ เ, เสียดายไม่อยากจะให้มันเสียไป mm. ก็เลยพยายามรักษามันเ mm. อาไว้พยายามหวงแหนมัน้อาไว้หรือพอยายามทำทุกอย่างเชิงเกตครับให้มากขึ้นนะหรือว่าเร่องการพนานเสียไปแล้วอยากจะได้คืนพยายามหวงแหนก็เลยเล่นหนักขึ้นเสียพันก็ต้องเล่นมือเพื่อจะได้หวังว่าจะได้พันนั้นกลับคืนมา พอมีความโง่หัมันก็เลยเป็นทุกข์และเพราะโง่หันในความเขยื้อนไปเราของเราพอมันเสียไปหายไปก็อยากอาลัยอาอวรณ์กลัวของเราตัวเราจะถูกกระทบกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดก็โง่ก็โง่แต่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจถึงที่สุดแล้วนี่ต้องการปล่อยวางนะอย่างถึงที่สุดใ น, นพุทธศสาสนาคือการปล่อยวางความยึด ในตัวปกครองกูหรือพูดใ ห, ให้ให้ถูกต้องคือว่าปล่อยวางรักความยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสัขงขามวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้พูดแบบเต็มสูวนเลยนะแต่ไอ้ลูปเวทนาสัญญาสงคามวิจ ญ, ญาณพูง่าคือนะก็คือกายกับใจรวมทั้งทรัพย์ ส, สมบัติทั้งหลายรวมทั้งคนรักที่เราไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกสุดทยยอคือความยึดในตัวกูของกูเริ่มแรกยึดว่ามันไม่เที่ยงไม่ยึดว่ามันเที่ยงนะเพราะว่าเวลาเรายึดเป็นเป็นเราของเรามันจะมันจะยึดอยากให้เที่ยงพอร่างกายนี้ไม่เที่ยงพอหน้าตาเริ่มแก่พอร่างกายเริ่มป่วย ก็ทุกแต่ถ้าเกิดว่าเราเราวางความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยมันก็จะทำให้คลายในความดิ้ดหยาแล้วถ้าเกิดมันจะแปลเปลี่ยนไปเช่จนเจน็บป่วยหรือแกะ่ชระาก็ไม่ทุกไม่มีเวลาที่จะอบายมากะ แต่ว่าแค่ถามว่าจะปล่อยวางด้วยอะไรนะแต่ก่อนในต้อนที่บ้านบอกว่าปล่อยวางในที่นี้แม่แปลว่าปล่อยปัจจุบันเลยนะปล่อยวางมันเป็นเรื่องของการทําจิตส่วนการทํากิจก็ต้องทําเช่นร่างกายที่ไม่ใช่ของเราแต่เมื่อมันเจ็บป่วยเราก็ต้องรักษารถไม่ใช่ของเราถ้าถ้าเสียก็ต้องซ่อมบ้านไม่ใช่ของเรา ในความหมายทางธรรมนะทางกฎหมายบ่ายเป็นของเราแต่ในทางธรรมไม่ใช่ของเราเพราะว่ามันเป็นแค่สมมติมันจะตกเป็นของคนอื่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตกเป็นของธนาคารเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เรามันเป็นสมมติอย่ถ้าเป็นของเราจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาคิดได้แล้วมันต้องอยู่กับเราไปจนชั่วฟ้าสิ้นสลายแต่ความจริงคือพอเราตายมันก็ตกเป็นของคนอื่น แต่นี่เราพูดต่ความหมายที่ว่าออถ้าบ้านของเราเนี่ยนนพูดแบบสมมติถ้าราคามันรั่วก็ต้องซ่อมไม่ใช่ว่าปล่อยวาคือไม่ซ่อมเลยป่วยก็ไม่นักษาไม่ใช่การรักษาคือการทากิดการซ่อมบ้านคือการทากิตการซ่อมการซ่อมรถคือการทากิดส่วนจิตเนี่ยมันวางซ่อมไห้สมเร็จก็ไม่ทุก ระหวางที่ยังไม่ซ่อมก็ไม่ได้ทุกอะไรร่างการเป็นอะไรก็ไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้เออาววโพพก็รักษาไปตามสภาพตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นเข้าใจแล้วว่าเขาปล่อยวางเนี่ยที่ะมาพูดมาทั้งหมดนี่คือการปล่อยวางทิศใจดูแลพ่อแม่ก็ต้องดูแลนะแต่เวลากลับไปพักผอนก็ต้องวางพ่อแม่ไปจากใจ หลายคนเนี่ยดูแลก็เหนื่อยแล้วจะสิชั่วโมงกลับไปนอนก็ยังคิดถึงพ่อแม่แล้วคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่คิดถึงพ่อแม่ฉันก็ไม่รักแม่คุณเรื่องเลยเมื่อเราพักอนเราก็ต้องวางถ้านออกไปจากใจบ้างเพื่อเราจะได้รับสนิทหลับสนิทเราก็ได้มีแรไปกับลูกเพื่อ น, นมาดูแลท่านไม่ใช่ดูแลท่านสิบแชั่วโมงก็เครียดกลับไปนอนก็นอนไม่หลับ พยายามคิดถึงท่านด้วยความห่วกังวลหรือด้วยความรู้สุกผิดว่าเราไม่ด้ดูแลท่านก็นอนไม่หลับวันรุ่ขึ้นก็ร่างกายก็ไม่จ่มใสจิตใจก็ไม่แจ่สายร่างก า, กายก็ไม่ได้มีเรื่องมีแรงพ่อพ่อแม่ในเผือกินก็ินขนมทุเรียนปริ้นเลยใส่แม่ตะครองแม่นี่คือปัญหาของคนที่ดูแลพ่อแม่แล้วเขาไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักวาเวลาพักก็ไม่ยอม ก็พักแต่งกายแต่ว่าใจไม่พักยังแบกท่านไม่ไว้ในใะจพอถึงเวลานะก็ไปดูแลท่านก็ปรีใสท่านาแสดงว่าเสียใจเสียใจก็ทําให้นอนไม่หลับนอนอไม่หลับวันขึ้นกับหนักขึ้นไปเลยอารมณ์เสียดักกันเลยก็เลยปริดซ้ำ ส, สองนะแล้ก็วนเป็นวงจรเพระจะจับเนี่ยนะเพราะไม่จักผ่อนรักษาทำกิจก็ต้องทำนะแต่ถึงเวลาจะปล่อยวางท่านหน่อยใจก็ต้อง ท, าทําครนที่ถามว่าปล่อยวางอย่างไรนะ อย่างแรกคือต้องมีสติฮะสติเป็นตัวช่วยปล่อยวางนะฮะสติช่วยปล่อยวางเวลาใจเราเปิดคิดไปถึงอดีตรู้ทันวางเวลาใจเราเผลอที่ไปถึงขาะคนมันเผลอไปสติมันทําให้หลุดทําให้ระลึกได้ถ้าไม่มีสติสติไม่ทํางานมันก็จะใจหลงไปอดีตลอยไปรางก็เป็นนั่นแหละ ถาไ ม, มีสติใจเมื่อจะไปจู่จับอยู่กับเสียงที่ดังในขณะนี้หรือไปจัจบความเกยบความปูดที่กําลังเกิดขึ้นการปลอบวักอดีตอนาห์คนละปัจจุบั น, นมันจะทำํำได้ถ้าไม่มีสติสติมันอ่อนแอ แ, แ, แล้วเรื่องใจเนี่ยเวลาคิดเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เนี่ยจะทําให้ทุกข์เนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบเราเผลอเก็จะเผลอเปรียบเทียบทำตามความเคยชินถ้าเรามีสตินะมันก็จะไม่เผลอเปรียบเทียบโดยเฉพนะในเรื่องที่มัน ไม่เป็นประโยชน์ในเรื่องทำให้เป็นโทษนัสติเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยที่หนึ่งนะประการที่สองเนี่ยนะก็คือการที่รู้จักมองนะการรู้จักมองเช่นรู้จักมองบวกว่าตมายุติอย่างซิกโก้เนี่ยนะซิกโกเนี่ย แกทุกข์นหลายปีแนละ้วก็แกเห็นแต่ลบเห็นแต่สิ่งที่ไม่สมหวังเห็นแต่คิดถึงแต่การที่ไม่ได้เล่นไม่ได้หลงสนานจนลืมมองเห็นว่ามันมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้านงะถ้าเห็นว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะอย่างที่แกพนันาด้เรื่องเจ็ดแอย่างเนี่ยก็คงจะไม่เครียดก็คงจะไม่ร่วงวใจมากนะก็ถือว่าการไปแปลี่นั้นคุ้ม ก็จะปล่อยวางปล่อยวางให้เลืองที่ไม่ได้ลวงสนาปล่อยวางได้ง่ายเพราะว่าเออมันไม่สุดเป่าทีเดียวนรับ ก, การที่เราเห็นข้อดีของการเป็นบะเร็งก็ทำใเราปล่อยวางการเป็นมะเร็งได้มีหนุ่มคนหนึงก็บอกเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันนําสิ่งดีๆให้ออบแกเนี่ยอย่างน้อยสามอย่างก็คือหนึ่งทำให้ได้รู้จักเข้าใจพุทศาสนา แตก่อนไม่รู้จักเลยนะพอป่วยแล้วก็ไม่มีอะไรทํามีเพื่อนอ่านสืธรรมว่า ม, า, มาให้ก็ได้อ่าน<ๆ>ก็เลยเกิดความเขา้าใจสองได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ตื่นเช้าก็ไปเรียนหนังสือแต่เช้าเลยพอโตขึ้นเข้ามาอะไรก็ไปอยู่หอพักไม่ได้ใกล้ชกับพ่อแม่เท่าไหร่พอป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็มาดูแลก็ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของท่าน ข้อสามนะที่บอกว่าทําให้ได้มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ได้หยุดคิดมากขึ้นมีเวลาคิดมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เป็นบเวเนี่ยนะก็คงจะเหมือนกับวัยรุ่ทั่วไปนะนอนหอพักตื่นละบายสามนะเรียนหนังสือนิดหน่อยแล้วก็รอเพื่อนไปเล่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มเสร็จแล้ว ก, กลับดื่มก็ใช้ชีวิต อ, อย่างไม่รู้จักคิดใช้ชีวิต อ, อย่างประมาทนะไม่เห็นไม่รู้จัก นึกถึงคนอื่นแต่พอไป็นมะเร็เนี่นเปลี่ยนเลพอเห็นข้อดีแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําใจยอมรับได้ทําใจยอมรับกับเป็นมะเ็งได้ไม่ตีโพลตีพันไม่บน่นวาย <c oughs> คนเราเนี่ยนะความเจ็บแค้นในใจของเราเนี่ ย, ยหลายครั้งกิจการที่เราเห็นแต่ลบเราไม่เห็นบวกคนพิทพุ่มแก้วเนี่ย เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงเคยเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนั่งแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่วันี้ก็คุยไปคุยมาแกก็เล่าเนี่ยเหตุการณ์เมื่อสิบห้าปีที่แล้วลูกแกไม่สบายกลางดึกตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนเตีหนึ่งแกก็อุ้มลูกเนี่ยไปที่ปากซอยซึ่งถาาทางลาดราวไม่มีรถแท็กซี่เลยไม่รู้ทำยังไงก็เลยปลุกเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านเขาเห็นรับก็เลยเพื่อนบาขับรถเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กพอเด็กเนี่ยนะส่งให้หมอแล้วเนี่ยแกก็ถามเพื่อนบ้านว่าคิดเท่าไหร่เพื่อนบ้านบอกห้าเดือนแกฉุนมากเลยนะแกเป็นแท็กซี่แกเป็นแท็กซี่แกรู้นะว่าเองจาก จากบ้านแกยังไปโรงพยาบาลอย่างเนี่ยลกลาง ด, ดื่มแบบนั้นเนี่ยนะร้อยเดียวก็พอแล้วแกจะก็ข้อให้ห้ารอยแล้วแกก็ผูกใจเจ็บเพื่อว่านน้ำเสียที่แกเล่าให้คุณพิพเนี่ยนะแสดงว่าแกแคร์มากนะแล้วแกคงจะไม่ได้เล่าให้แกให้คุณพิฟังเลยผมเล่ามาหลายครั้งแนละ้น่าเจ็บใจนะแต่คุณพิพิแก แต่รู้น้ว่าเพียแแรแท็กทซี่คนนี้เนี่ยแคร์ยกก็เลยถามว่าแท็กซี่เนี่ยแกชื่อคุณนิยมคุณนิยมคุณขับรถแท็กซี่เวลากี่ชั่วโมงแปชั่วโมงถึงบ้านเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วถ้ามคีคุณวิพีก็เลยถามว่าถ้ามีคนถ้ามี ถ้ามีคนมาเรียกคุณกลางวัเกหนึ่งเนี่ยคุณจะไปไหมผมไม่ไปหรกเหนื่อยสุขภาพของผมสงคัญกว่าใ ห, ใ ห, ให้ให้ผมเจ็ดรอบนี้ไม่ไปเลยแล้วคุณพิรุษก็เลยพว่าเนี่ยแต่เพื่อนบ้านบางคนเนี่ยนะเากำลังนอนอยู่กับครอบครัวแล้วมีเพื่อนบ้านมากรุกเพื่อให้ช่วยไปส่งลกเขาพาไปโรงพยบาบาล เขายินดีไปถ้าวันนั้นเขาไม่มีรถหรือเขาไม่มีน้ำใจเนี่ยลูกคุณตายแล้วแต่อันนี้เขาช่วยลูกคุณเอาไว้ถ้าคุณคิดเป็นนะคุณต้องขอบคุณเขาแล้วก็รีบกว้าันหนึงพันจะใส่กระเป๋าให้คนเลยถ้าวันนั้นคุณทำนะนะคุณมีความสุขไปเลยแต่คุณไม่ทำทำไมคุณถาม แท็กซี่คนทำไมคุณถามเพื่อว่าจะเอาเท่าไหร่เพราะตอนนั้นคุณข้าวบอกว่าเขาจะปฏิเสธเชิญไว้ขอเขาไม่ปฏิเสธคุณเลยโมโหแล้วคุณยิงโมโหมากขึ้นเมื่อเขาบอกว่าห้าร้อยบาทคุณให้เขาไปห้ารอคุณก็จับแขนมันทุกวันนี้แต่คุณไม่คิดหรือว่าเนี่ยถ้าไม่มีเขาเนี่ยะลูกคุณตายไปแล้วเขาอุตส่าห์ตื่ขึ้นมากลางดึกนะเพื่อไปส่งลูกคุณเขามีน้ําใจขนาดนี้แล้วเขาก็ช่วยลูกคุณให้อยู่รอ ถ้ากซนั้นตึงเลยนะพีแกไม่เคยมองเลนะแกคิดเย่างเดียวว่ามึงเรียกกูห้าร้อยบาทกูถามว่าเอาเท่าไหร่เอมปฏิเสธเออมึงแทนที่จปฏิเสธคุณพี่กบอกว่เนี่ยถ้าถาคุณถ้าคุณถามเขาด้วยความถามเขาว่าถามเขาด้วยความตั้งใจจะให้อย่างที่เขาพูดนะคุณก็ไม่มีความทุกข์แล้วแต่คุณถามว่าคุณคิดว่าเขาจะปฏิเสธคือแท็กซี่คนนี้แก เก็บเรื่องที่มาถึงสิบ้าปีเนี่ยข้าใจเห็นแต่ช็อตเดียวนะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ปฏิเสธเวลาก็ถามว่าจะเอาเมาเท่าไหร่นักถามบอกห้ารแต่ไม่ได้มองเห็นว่าเพื่อนบ้านเนคู่สาบสืบาการดึ่นะเพื่อไปสวงลูกของคุณและเขาช่วยชีวิตลูกคุณไว้ช่วยลูกลูกคุณมีค่ามากกว่าเงิน หลายน้อยนะหลายพันธุคือประเด็นนี้ต้องเห็นว่าคือว่าคนเราเนี่ยอพอเราไปยึดติด ก, กับสิ่งที่เป็นลบนะมันแค้นแล้วพอคนพิธีแก่เราตรงนี้นะบอกว่าไอ้ความทุกข์ความแค้นทั้งหมดนะที่ในใจทุกสิ่งทุกสภาพมันหลุดเลยนะเพราะแกเพิ่งเห็นในมุมนี้ว่าเพื่อนร่าเ น, นี่ยมนใจนะแล้วก็เพื่อนราก็ช่วยชีวิตรู้ออกไว้มันหลุดเลย แล้วแกก็มากรับงเขคุณพิพิธแล้วว่าเนี่ยว่าทำให้แกเนี่ยหายทุก15ปีนะเพราะเราเห็นแต่ด้านที่เป็นลบของเพื่อนบ้านแต่ถ้าเราเปิดใจมองเห็นด้านที่เป็นบวกนะเขามีนักใจเขาช่วยลูกเอาไว้มันไม่มีความถูกแล้วแเราคิดว่าเนี่ยการที่เราพยายามมองเห็นด้านบวกบ้างนะมันก็ช่วยทำให้เราลด ในสิ่งที่มันเจ็บปวดประการที่สามเนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็ทำการมโหสนี่พุทธศาสานาเรียกว่าเดนที่สงมนต์จิตการนะคือการฉลาดมองฉลาดคิดคิดเป็นคิดบวกไม่เอาแต่คิดลบอย่างนี้ก็เป็นวิธีนึ่งิ่งสังเกที่สุดเนี่ยคือปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความจริง ไม่ใช่คิดออกจากมันเห็นความจริงนะเห็นความจริงว่าสรพสิทธิ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะการปล่อยวางจะเกิดขึ้น ท, ทันทีแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยก็จะยึดเอาไว้แล้วพอเรายึดแล้วเนี่ยเราก็จะมีทิฏฐิความเห็นที่มันสวนทางกับเป็นจริงหนักขึ้นพระเจ้าตรัสว่า บุคคลใดเนี่ยนะถ้าไปยึดมั่นในรูปรูปคือร่างกายเอาเตีวย่างง่ายๆเนี่ยรูปคือร่างกายเนี่ยเมื่อยึดมั่นในรูปก็จะมีทิศทิศ ค, คือความเห็นว่าน้ําลมแม่พัดแม่น้ำไม่ไหลหญิงมีการไม่ครอยดวงอาทิตย์ดวงจันทรไม่ขึ้นและไม่ตกมาเข้ากันนะเพราะเมื่อคนเรายึดมัน่นเมื่อมีความยึดมั่นในสิ่งใดเนี่ย มองก็จะมีความคิดว่าทุกอย่างเที่ยงและความเที่ยงทุกอย่างมันเที่ยงคือความคิดที่สวนถางความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรน้ำก็ต้องไหลลกก ม, มก็ต้องพัดหญิงมีใครก็ต้องคลอดดวงอาทิตย์ดวงจาจร์ก็ต้องขึ้นและตก <Yeah. S 1> การมีปัญหา็นความจริงเนี่ยม่ทำให้ปล่อยวางเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ มันจะวางความยึดในตัวกูเพราะว่ารู้ว่ามันไม่มีตัวกูมันเท่าเรื่องตัวเนี่มันจะรูปหลบนางมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยชี้ตรงไหนสินที่เป็นตัวเราถ้าชี้ตรงนี้นี่คือหัวนะถ้าชี้ตรงนี้นี่คือหูนะถ้าชี้ตรงนี้นี่คือหน้าอกนะชี้ไปตรงไหนหาตัวกูไม่เจอะมันมีแต่หัวหน้อก แล้าแข้งขาไม่แต่หัวนี่ถ้าชี้ไปตรงนี้ก็น่าผานะถ้าชี้ตรงนี้นี่ไม่ใช่หัวแตนี่เป็นอแกนที่ตรงนี้นี่ก็เป็นจมูกแม้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นหัวนี่ก็ไม่มีนะจะเป็นสมองแต่เอาพูดงายคือว่าความจริงเมื่อเรามีปัญญาีความจริงก็จะรู้ว่ามัน ม, มีตัวกูอยู่เลยน้าภาษาระไรของกูก็ไม่มี จะเป็นของตัวก็สั่งได้ไมให้แก่ไม่ให้เจ็บสั่งรถไม่ให้เสียสั่งว่าไม่ให้ทําไม่ให้เก่าก็สั่งไม่ได้และการรู้จะไ้มีเดี่ยวอย่เดียวตรงที่ห่ามทําให้เราเนี่ยเมื่อเมื่อก็มีความคิดมั่นถึอมั่นในสิ่งนั้นถึงเวลาจะเสือ่อมจะสลายไปก็ไม่เป็นไรถึงเวลาจะเจ็บจะป่วยก็ไม่ทุกข์อะไรกายป่วยนะแต่มันไม่สู้ว่เราเราทุกข์ หลวงปูบุญดาเนี่ยถ้าเป็นพระถ้าท่านมีช <mon> ีวิตปัจจุบันก็อายุร้0ยี่สิบวันึงถ้าไปผ่านนิ้วเอานิ้วออกไม่ถึงสิบหาเดนท่าก็บอกหมอไม่เป็นไรพ่อไมชั่วคือท่านจะกลับมาหมอและพยาบาก็ตกใจรท่าพ่จะกลับเลยหลวงปู่จะกลับเลยหลวงปู่ไม่เจ็บเลย ทั้งต่อว่าเจ็บสิ้นไม่เจ็บร่างกายของเรางปูเหมือนคนทั่วไปและแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยกายปวยกายปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลากายปวดเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเรากูปวดกูปวดมันมีตัวกูอยู่มีความสำคัญมากไเป็นตัวกูมันก็เลยทุกข์มาก ก็คือกายไม่ได้ป่วย ด, ด้วยใจก็ปวดด้วยเพราะมันมีความไปยึดมามีตั ว, วกูที่เป็นผู้ปวดแต่ถ้าเกิดว่ า, ารู้ว่ามันมีตัวกูเวลากายป่วยก็เกิดเป็นเรื่องของกายไปใจไม่ได้ทูกด้วยอันนี้แหละคือความสุขอันเกิดจากการที่ละวางความยึดในตัวกูของกูไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่เชื่อไม่ปวด แต่นันเป็นเรื่องของกายส่วนใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดด้วยไอหลวงปูปุตานี้ท่านก็บำเป็นธรรมบำเพ็ญปสัสนาสมาเยอนะแล้วท่านเห็นความจริงข้อนี้แต่พวกเราสม่เป็ุลชนเนี่ยก็จะมีอยู่ในวิสัยที่จะเห็นไดนะ้ถ้าเราพยายามที่จ ะ, ะศึกษาธรรมพยายามคลายเกิดพิจารณาปรากฏการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าง น, น, น้อยเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราทําใจยอมรับมัน เมื่อใจ ย, ยอมรับมันไดเนี่ยมันก็จะวางได้เองนะลองสังเกตนะเช่นเสียงมันดังถ้าเรายอมรับเออมนันก็ดังดังก็ดัไปมันจะธรรมาดาของมนานใจเราจะวางแต่จถ้าเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างมันไม่น่าจะเสียงดังใจเราจะเบรคตรงนั้นทันทีถ้าเราคิดว่าเขาน่าจะดูแลพ่อแม่เขาน่าจะส่หนึ่นในบุตรของเราพอเรามีคําว่าน้าจาับเนี่ยนะ ก็คื อ, อยอมรัไม่ได้พ อ, อยอมรัไม่ได้ก็จะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามองว่าเออมันก็ธรรมดาคนก็ต่างจิตต่างใจเลยเราอยอมรับมันเป็นธรรมดาที่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละหรือเรามีคนมาต่อว่าด่าทอเราเรายอมรับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่น่าจะพูดอย่างนี้กับเราไอ้คำว่าหน่าจา่าเนี่ยถ้ามาใช้ไม่ถูกที่นี่ทุกข์นะ พราคิดว่าเขาไม่น่าจะว่าเราเนี่ยแปลสสว่าเรายอมรับไม่ได้พอเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะขึ้นคิดถึงคำพูดของเขาการกระทำของเขาแล้วเราก็ตัวเองปล่อยวางไม่ได้แต่พอเรามองว่ า, วามันเป็นธรรมดาการมองว่าสิ่ ง, งนี้เป็นธรรมดาทาให้ใจยอมรับได้พอใจยอมรับได้มันปล่อยได้ mình. อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางได้คือมองเห็นว่าเป็นธรรมดา มีผู này này, mà, ả, áng, ương, đi, so ì, ้หญคนหนึ่งนะเธอเป็นคนที่สวยนะตอนที่อายุประมาณตอนปีสามเธอก็เป็นดาวหาเทีลไลท์แล้วก็ประมาณสักปีสเธอก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้นยังไม่มี Facebook คงจะใช้ไฮไฟล์อะไรสักอย่างแล้าผู้ชายก็เกิดหลงรักเธอก็นัดเจอกัน แต่เธอก็บอกกับเขาว่าก็ไม่ได้รักเขาอย่างนั้นผู้ชายก็ผิดหวังมากไม่เศร้าครั้งนั้นหรือว่าต่อมาเนี่ยผู้ชายก็ขาดทา่าด้วยความโกรธผู้ชายเขาต้องโกรธใส่หน้าเธอเธอเสียโชดทั้งใบหน้าตาบอดไปข้างคนที่เคยภูมิใจในหน้าตาตัวพอเจอแบนี้เนี่ยมันอยู่ได้ยาก เธอคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ว่าสุดท้ายเธอคิดถึงแม่เธอก็ไม่ทําแต่เธอก็ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นทนไม่ได้รู้สึกอับอายที่เพื่อนบ้าแต่ซึ่งเคยเห็นหน้าตาเธอสาวสวยมามาเห็นตัวเธอในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเธอกสกปรกายเธอก็เลยขอย้ายไปอยู่ที่อื่นผ่านไปสองสาปีเนะี่ยเพราะว่าเธอทําใจได้ที่เธอเปลี่ยนยนะ เธอขึ ph àn, th ờ. Th ờ ้นรถไฟฟ้าไปทำงานก็ไม่เคยปิดหน้าตาเธอเธอไปเป็นรักงาน call center เคยมีคนถามว่โก้ผู้ชายเหมนัันไหมที่ทำให้เธอเสียโฉมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยอยากจะขอบคุณเอาด้วยซ้าเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เธอหนึ่งเนี่ยได้มีอะไรด่กับพ่อแม่มากขึ้น ถ้าเธอสวยคลิกเนี่ยเธอคงจะไม่ได้อยู่บ้านนะลงในกระแสนสัที่สมกับบ้อที่สองก็เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ mm hmm. ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าธรรมดาจะเป็นคนที่ยึดติดนะเป็นคนชอบชอบยึดติดนะแต่พอบเจอเหตุการณ์นเนี่ยมันทให้เธอเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวันหมดอายุทุกอย่างต้องมีความแปรเปลีย่ยน หน้าตาของเธอก็เช่นเดียวกันนะแม้จะไม่เกิดเหตการแบบนี้ขึ้นพอเธอแก่นหน้าตาของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปไอความสวยความมันก็ต้องหมดไปการที่มาเจอแก่แบบนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันทําให้เธอปล่อยวางได้แล้วพอเห็นนั้นเนี่ยเธอถึงไม่ไม่กลัวนะเวลาใครก็จะมองเธออย่างไรเธอก็ไม่รู้สึกเหลือหล่อมหรือรังไจอะไรเธอก็สามารถที่จะ ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนเขาจะมองาทางตาเธอย่างไรพเพราะเธอได้เรียนรู้การปร่อยวางเรียรู้จักอะไรียนรู้จักปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายสามรถใส่หน้าเธอเธอปล่อยวางได้พเพราะเธอเห็นความจริงที่บอกเพราะได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างยอา่อมมีความปเป็นยุความแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ที่ปอยความจริงเนี่ยคือเป็นความจริงว่ามันมันไม่เที่ยงให้การที่จะปล่อยความจะเป็นเรืองยากโดยเพามื่เจอสิ่งที่ไม่ชูใจแล้วเธอพูดอีกดีอย่างที่บอกว่าการประกอบการไลน์เนี่ยมันก็มีข้อดีนะมันทําให้เรามองโลกมันมุม่ันทําให้เรามีเนี่ยทำให้เรามีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะอันนี้เราเป็นปัญจาซึ่งช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ยึดติดกับเหตุร้ายๆที่เจอเจอไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งหมดนี้พูดสุกนะก็คือปล่อยวางได้นะใจก็เป็นสุกแล้วก็พอสมควรแกเวลาแล้วนะก็คอยยึดติดความยัยเป็นคำนี้ เราจะทำในต่อไปหลังจากเสร็จสิ่งการบรรยายแมอวาธีบ้่างหรือที่ใดก็ตามก็ไปยวางไว้ก่อนให้น้องจิตมาอยู่ที่ลงหายใจผ่านใจคำเมียวประจุบังล้วรู้ลมหายใจที่เ ข, าข้าออกด้กวยความสึกผ่อนคลาย เรื่อต่้งแต่ศีรษะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ใบหน้าคงจะเพียงระยิบระยยน้อยผ่อนคลายต้นคอหัวไหลรู้สึกความผ่อนคลายที่มือและแขนสองข้าง รู้สึกความปวดกระอที่หน้าอกช่องท้องต้นขาหน้าเพีนและปลายเทา้าหายใจสบายๆนะน้องจงที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจที่กระทบปลายจมจูกเราจะรับรู้ลมหายใจที่เคลื่อนผ่านร่างกายเรารู้ตัวว่าการที่เราเป็น นั่งอยู่แล้วก็มีลมหายใจเคลือ่อนผ่ายเข้ามาในร่างกายมาสุดที่ช่องท้องจะออกไปออกระทบที่ออปลายจมูกหายใจจะเกลินนึกออกไป ไม่ต้องไปกดไปห้ามความคิดไม่ต้องไปบังคับจิตใม่คิดให้ใจเราเป็นอิสระทำใจ ส, สบายใจจะฟุง้งใจจะลอก็เป็นธรรมดามันไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เราคตรทำ เ, นนเออพื่อพาใจนอนใจให้กลับมาอยู่ที่เราหายใจ นักหรือบริกรรมทุกลมอายใจออกได้เช่นนักหนึ่งนักสหรือว่าหาใจเข้าพุ่งหายใจออกโทรหรือว่าจะไม่มีการบริกรรเลยเพียงแต่รับรู้ถึงสัมผัสที่ปลายจมูกรับลมเข้าไปเคลื่อนผ่านเข้ามาในร่างกายออกไปในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ศักดเสร็ ที่จะไมีอาตให้อดีตหรืออนาคตเข้ามาร่วมหลังจึงพาจิตออกไปจากลมหายใจมาช่วงเวลานี่เม่นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นวิธีประเสริฐที่สุดของเราอย่างหึ่งลมหายใจไี่กราเราอนมาตังแต่เกิด ลราไประจากลับไปในวันที่เราล้างโลกไม่มีเวลาใดไม่นาทีใดที่ลมหายใจจะทิ้งลัาไปเลยไม่ว่าในยามโสดหรือยามสสดยาลงลุ่มเหลวหรือยามสำเร็จยามหมดหรือยามมี ลมหายใจก็ยัองอยู่กับเราอยู่ตลอดแต่ว่าเรามักจะมองข้ามลมหายใจไปลืมเรื่องการมีของเขารืมเรื่องความสำคัญของเขาให้ชมเวลานี้ชมช่วเวลาที่เราจะได้กลับมารับรู้ทุกการมีอยู่ขอ ง, ของวิธีประเสริที่สุดของเรา เราลุลงไปใจที่เข้าแลาวกด้วยใจที่เป็นกลางครั้งสบาสบายเหมือนกัเราเพิอมเดินกับเพื่อนสองคน็เนเส้นทางที่ยาวไกไม่สนต้องสนใจจุดหมายปลายทางบางข้งั้งเราถ้าเพลิไป ช, ช, ชไมนชมวมาข้างทางจนลืมเพื่อนรู้ตัวแล้วกลับมา ก็แค่เดินอยู่กับเพื่อนเพีย <Yeah. S 1> งแค่รับรู้ระบายใจที่เข้าและออกไม่ต้องไปบงังคับควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจให้ใจเราอิสระเป็นธรรมชาติก็จะเผลอคิดไปโน่นนี่อาจจะทำตัวมาถกใจแตกที่ ชอบท่องเที่ยวไม่ก็อยากกลับมาอยู่บ้านถ้าไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ตัวอะไรกาเรียน ก, กลับมา ค, ค่อยๆชวน ค, ค่อยๆลงน้ำกลับมาอยู่บ้านถ้าช่วงเวลานี้เราได้กับปัจจุบันจริงๆ ตัดดีด้วยนขอขอวาครบค่อยวาไว้กอหายใจก็มีกันอากระตูหายใจเขม่นรู้นมหายใจที่เข้าออกสบายสบาย จะลอยไปไหนนะโอาใจกลับมากลับมาดูกการของตัวเลยก็ดีว่ากายเป็นอย่างไรเราคลายจจนานยิ่งรอ้ขมดกลับฟังแมมมี่ิบบาทพรือว่าหายใจถี่ตื้นน่าสีว่าเรากลันเคลีย์ เรากลับมาหายใจสบายใจะก็ลึกๆหายใจยาวผ่อนคลายร่างกายดูความสึกของตัวเอณานี้เป็นอย่างไรเครียดนักใจหรือว่าหรือเบื่อก็แค่รู้เฉย กรรมที่ลงหายใจลมหายใจนั้นเนี่ยถ้าว่าเราใส่ใจลงไปเอาใจใส่ลงไปกับลมหายใจมันสามารถจะกลายเป็นลมวิเศษได้จากความอุ่ร้อนในใจกระตัดปางเบาสิ่งที่ทำให้นกำหนักใจออกไป ทำให้เบาใจช่วยขยายใจที่รับแคบือว่าถูกกดดันให้ผ่อนคลายแผ่ขยายไปดลบเสียนิสัยเติมความสุดให้ตัดใจในอย่างที่ประทนูุกยืมนหมองอได จะก็ต้องหายใจนะกลับมาอยู่ที่เราหายใจเป็นเบื้องแรกคือเราใจใส่ไปนะให้กับลดหายใจจะหายใจทิ้งขว้างระ่างที่อยู่กับลมหายใจก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นเพราะว่ากิจบางการงานอย่างอื่นเราไปเจก่อนยังไม่ต้องคิดอะไร แค่ระดูระดูสึกกับลมหายใจก ความใช้เวลาความเงียบยิางเิขึ้นนะครับกพือเห็นความรู้สึกของโครงที่เกิดในกับใจเรา เรียงตัอวอย่างไรงจะเข้าสู่พันิพาขอพ้อคุณเจ้าค่ะจริงๆพระเจา้าก็ได้มอแบบแผนการปฏิบัติไว้แล้วนะอันนี้มั่งโกปหรือว่าายศิกขาสิลสวัสดิ์ปัญญานะทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปสู่การปัญญาจนเห็นความจริงชนิดที่ทำให้ลกความเด็ดมัน คือมั่นคือทาความดีแค่ไหนเนี่ยถ้าปัญญาไม่เกิดนม่มีความยึดมั่นถึงมันเวลาทาดีก็ยังยังอยากจะให้คนมาชื่นชมสรรเสริญเราทำบุงที่ไหนก็ยังอยากจะถ่ายรูปภาพขึ้นเฟซบุ๊กให้คนเขาอ่ร่วมมอกันหมทนาสาธุด้วย คือต้องการประกาศตัวตนอยากจะให้คนชนคนสารเสริจหรือคนรับรู้หรือคนยอมรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมคนก็ต่อว่าพอมีคนก็นินทาททุทกข์นะก็จนวนเวยอยู่ในความทุกข์ทังหละเพราะว่าทำแต่ความดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกจิตให้มีปัญญาจนถึงธรรมดานะเช่นเห็นว่า สารเสวนิธรรมเป็นธรรมดาโลกธรรมแปดเนี่ยมันธรรมดาแล้วมันก็หีไม่มีใครหีพ้นแล้วถ้เกิดว่าเราเห็นจนกระทั่งความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นใด้สักอย่างการปล่อยวองจะเกิดขึ้นหน้าเสืที่เกิดขึ้นก็คืออิสรภาพนะตรงนั้นแหละที่ในียกวันิพาธ ที่คามจะเกิดขึ้นได้นะก็ต่อเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงเนะว่าทัา้งโลกโกรธลงมาบอกไปสาโยอดเสร็จเนี่ยนะมันมีสองส่วนนะก็คือสามยอดเพื่อนต่ำกับสามยอดเพื่อนสูงเนี่ยสามยอดเพื่อนต่ำเนี่ยนะซึ่งมีห้าข้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโลกโกรธลงหรือตั้งๆนะ้าวนา ท, ทีนั่นเองนะก็คือว่าถ้าเรา ถ้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งโลกโโลกฎลงมป็นรองบาลเนี่ยจนกระทั่งในเรื่องทิฏฐิคือวิชาทิฏฐิมัได้แก่สัพเพทิฏฐิหมดไปสัพเพทิฏฐิคือความความเห็นว่ากายและใจเป็นตัวตวนเป็นเราเป็นของเราไม่มีความในสงสัยคือไม่มีวิจิตริชาซึ่งเป็นความหลงอย่างหนึ่ง ไม่มีศีลแพระธระมามกซึ่งก็เป็นความลอมีกแบบนึงือเป็นหลมว่าการกระทาอย่างใดที่ทำใตนทุกข์ได้หรือเพความเคร่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลหรือเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างขณะที่ ก, ก, า, การ้โทรศัพท์นะซึ่งองซึ่งปรากฏในรลปของพยาบาทก็บกงๆนะหรือว่าความโลภซึ่งของวูกของกาบาระก็บกงๆ ผมนี้ก็ได้เป็นปาริยเจ้นานะิ迦มรําก็คือกสุตตาวันแล้วถ้าสุวณนคือสกิตาคามีแต่ว่าก็ยังมีความโลภความโกรธความเกลียดอยู่แต่น้อยลงอันนี้คือหน้าที่ที่ต้องทําให้สัมโยอีกชุดหนึ่งเนะี่ยสัมโยเรื่องสูงอีก5้าข้อเนี่หดไปก็คืออรูประค์คือรูป ร, ราคะอรูป ร, ราคะนี่ก็เป็นโลภะหรือรคาคะอย่างหนึ่งนะซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นโลภะแบบ ทำให้ความโกรธหมดไปอยากสิ้นเชิญนั้วเนี่ยคือทำให้มานักไปมาน่านถ้ามีอยู่ทม่มีความโกรธได้นะแต่ว่าก็ว่างและตัวหลงสุดท้ายก็คือวิชาซึ่งมันก็ถ้ามีปัญญาตล้วกเห็นความจริงอย่างแท้จริงแล้วมีวิชาเองก็จะถอนวิชาไปได้ถ้าหากว่า สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยนะสามารถจะดับได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็เป็นพระรหันต์ก็คือพระสุาษสูคือว่าต้องปฏิบัติตรงถ้าเกิดปัญญาชนิดที่ลดลกลดลกความโลภความโกรธความงงได้นะจากลดเบาบางตรงข้างลดได้อย่างสิ้นเชิงชนิด ท, ที่เรีย่าถอเลา่าถวนโคมถึงจะเรียกว่า เข้าถึงที่ผาแต่จะพูดให้มัย่อย ๆ, ๆนะ็คือเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถึงมันนะ่นนี่คือการปฏิบัติคำถามถัดไปนะครับเป็นภูมิจากการกลัวการทรมาจากความตายควรททำอย่างไรดีเจ้าคะเป็นเพราะว่าไปนึกฟุ้งปรุมแต่ง ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่วิธีแก่คือการนึกถึงความตายอย่างมีสติก็คือมรณสติการระลึกถึงความตายเนี่ยก็คือการระลึกถึงอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นตลอดแน่นอนผอุรอยนนี้คือว่าการระลึกถึงว่าชีวิตเรต้องมีปลายทางคนทุกคนเนี่ย คิดมันมีปลายทางเท่านั้นคือจุดสิ้นสุดนั่เรียกว่าความตายแต่ถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องนก็คือเจริญร้อนนั่สติก็คือเออตือนตัวเราเองว่าเราต้องตายอย่างแน่แน่แต่จะตายเมื่อไหรไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เขาบอกไปเขาว่าจะตายอีกสิปีข้างหน้าก็ได้ปีนหน้หาหรือไอ้ตายเดือนหน้าพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะตายวันนี้ก็ได้ อันนี้ก็คำถามต่อไปว่าเอถ้าเราเกิดต้องตายในวันนี้วันพรุ่งเนี่เราพร้อมหรือยังเราทำการตีมันพอหรือยังอย่างข้อที่หนึ่งสองหน้าที่ที่ควรทาเราทำเสร็จสิ้นหรือยังสเราพร้อมจะปล่อย ม, มานทุกสิ่งหรือเปล่าไม่ว่ารูปธรรมน า, ามธรรมถ้าพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เกิดความกระตือร้อ น, นความหวั่นู่มันจะน้อยลงมันจะเกิดสิ่งที่ ท, ทางาศาสนาเรียกว่าสังเวชสังเวชที่เราภาษาไทยเราเปีว่าสังเวชแต่สังเวช ภาษาไทยว่ากดทูดทำให้ห่อเหี่ยวแต่สังเวชมันไม่กระตือรือร้นทำให้เกิดความผวดขวายนะทำให้ไม่หวออาดหวั่นาทตรงข้ามเลยนะสังเวชาบาลีกับสังเวชาภาษาไทยกับสังเวชสังเวชสถานเนี่ยนะไม่ใช่สถานที่ไปเพื่อให้สังเวชในความหมายที่ว่าไปแล้วกดทูดห่อเหี่ยวนะ แต่ไปแล้วจะเกิดความประตือรือร้เกิดความขวนขวายที่จะปฏิบัติทําให้ให้เต็มที่มากขึ้นเป็นที่ที่ไปแล้วในจิตตั้งอยความแม่ประบาแล้วก็เกิดความเพียรในการปฏิบัติถ้าทำแบบนี้เนี่ย ไ, ไอ้ใจที่มันหวันกลัวเพราะความตายเนี่ยก็จะน้อยลงกลัวพความตายก็จะน้อยลงไม่เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยเพยลียทำความดีซะ สร้างมืร้างมือสมใช่พอเราพอทำความดีสร้างมือสร้างมือสมนัจิตใจจะเกิดความสุขมันจะไปขับไล่ความกลัวไอ้ความโกขู่ข้อเหี้ยมก้อถึงความตา ย, ลยแล้วพอเราทำความดีม า, มากๆเนี่ยมันจะเกิดความกล้ากล้าล่างลงเกิดความมั่นใจมากถ้าตายแล้วไปดีแน่แล้วก็ไม่ใช่เข้าไปดีนะตอนตายก็ตายดีด้วยนะอ็ตายอย่างสงบไม่ทุรนทุนทนรายแค่นี้ย อย่ามัวแต่นั่งซุนคิดถึงความตายตัวนะพยายาททำความดีขวนขวายทำหน้าที่ของตัวให้มี่ให้ข้างขาแล้วก็ฝึกกลิปล่อยว า, างข้บถามถัดไปนะครับเวลาที่ถือใครสักคนแต่เราไม่อยากจะให้เราที่ถือเขาควดท้องอย่างไรดีเจ้าคะ ให้ยอมรับว่าเราจะมีความผูกพันเขาอยู่นะแต่ขณะเดียกันก็มีสติรนะู้รันเวลาใจมัวคิดถึงเขานะการที่ใจเรามีความผูกพันเขาอยู่เนี่ยมันคือความจริงที่เราต้องยอมรับแนะต่ปฏิเสธจากขณะเดียกันนะก็ให้มีสติรู้รรมเวลาเห็นมันเห็นคนที่เรานึกถึงเนี่ยปวดขึ้นมาเนี่ยนะก็ให้รู้ แต่อย่าปล่อยใจเพราะอะไรตาา่างๆใช้ความคิดถึงให้มีประโยชน์มีตัวอย่างนะหลว ง, งพ่อพุท ธ, ธานิโยนเนี่ยนะท่านเคยเล่าว่ามีพระหนึ่งลูกหนึ่งมาฝึกมาบวชใหม่แล้วก็ท่านก็สอนให้เจริญสติทางสมาธิให้ด้ว ย, วยการบ ร, ริกรรมพุโทโธ แต่ผ่าหนุน่มทุกที่เนี่ยทำสมาธิไม่ได้เลยเพราะคิดถึงแต่แฟนสาวนะกสาวกสายนั่นแหละก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อพูดๆๆหลวงพ่อก็เลยถามว่าแฟนชื่ออะไรสอมงมชื่อสองนนั่ น, ห า, านหายใจเข้าโซนหายใจออกโซนโซนโซได้เรื่องได้ผลนะสงบเลยนะเอารู้จักใช้ใช้ผลที่เราคิดถึงว่าเป็นประโยชน์ เป็นเครื่องมือในการบริกรรมเลยนี่ตัวกยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าไม่มีสติพอเดี๋ยวก็มันก็หลงรับไปได้ไง่ายวิธีเนื้อคือพยายามที่จะพยายามที่จะหาอะไรทํอย่าไปอยู่กับกลาวนิ่งๆเนิ่งๆมั น, น, นก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยนะการที่เราทําแล้วเรามีสติในการทำสิ่งใดก็ตามไปช่วยทําให้ช่วยถ่ายถอนความ เ่ลึกความอะไรเอาควาได้ครับค่ะขดไปนะคะนั่งสมาธิแล้วจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่ทั้งคัที่ตั้งใจมากเรายังจะได้กุสดหรือไม่เจ้าคะได้ได้ได้เพราะว่ามีเจตนาดีแต่ว่าที่พูดว่าฟุ้งซ่านทั้งทั้งที่ตั้งใจมากต้องเปลี่ยนว่าฟุ้งซ่านเพราะตั้งใจมาก ไม่ใช่ฟุง้งซานทังนี้นตั้งใจมากนะ๋ยวไปค่ดว่าตั้งใจมาทําให้หายฟุ้งนะความตั้งใจมากทาให้ฟุ้งซ่านได้มากเหมือนกันเนะพราะว่าพอตั้งใจมากมันก็เกรงมันก็พยายามกองคับจิตให้สงบจิตยิ่งถูกกองคับมันก็ยิ่งต่อสู้ยิ่งดิน้นรนะงั้นเวลาจะทําสมาธิให้ทําสบายๆอย่าตั้งใจมาก นะมันจะฟุ้งมากกวช่จะไปกดข่มจะกดข่มความที่จะไปบังคับจิตเพราะยิ่งทายิ่งอยากให้จิตสงบ ม, มันยิ่งไม่สงบนะอย่าลืมว่าแรงกดเท่ากับแรงร้างนะกดเท่ับนิวตันแรงกดเท่ากับแรงตานะ้าน แ, แ, แอคชั่งต้าเกิดเรียกแจะไปกดขความคิดความคิดมัยิ่งิงต่อสู้ยิ่งฟุ้งเึ้าญ่าเลยนะ พยายามนะอเดกับจิตใจของตัวนะวางความตั้งใจลงสักหน่อยนะแล้วก็ยอมรับความเป็นธรรมดาของจิตความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความไม่ชอบฟุง้งซ่านถ้าปฏิบัติหลายนคนเนียว่าทำไมปฏิบัติเนี่ยนะฟุ้งซ่านแหลือเกินเดี๋ยวนี้ปฏิบัติ5าทีก็ไม่ไหวเลย นักปฏิบัตลายคนเตยว่ า, หาใหม่ๆนี่มนปัญหานี้เพราะเขาไปเชื่อวความฟุ้งร้านคือปัญหาความฟุ้งซ่านคือธรรมดาแต่ที่แต่ปัญหาคือใจที่ไม่ชอบฟุ้งซ่านมันก็เลยทำให้หงุหงิดเวลาเรื่ความฟุ้งซ่านมีภาพของรูปนี่นะหรือภาพเขียนทัาเล่านะ นั่งสมาธิเนี่ยนั่งจนนั่งทีแรกก็นั่งดีนะพอมาเห็นอีกทีเอารองเท้าแตะข้าวถั่วถ้ามันคิดมากหรือเกินว่ามันคิดมากหรือเกินที่เขาตั้งใจมากตั้งใจมากเลยเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรพวกยามปควบคุมความคิดไปมองว่าความรุนสรงคือปัญหาแล้วพอมันเกิดขึ้นก็ไปพยายามกดข่มแล้วพอมันยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งสู้ยิ่งประยจมันก็ยิ่งอารวาสไปอย่าง สุดท้ายลืมตัวเราทำสมาธิเพื่อสร้างความรู้สึกตัวแต่พราตั้งใจมากเพราะยึดมั่นถือมั่นในผลมากมันก็เลยลืมตัวมีนะครับคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคนที่จริเสติเนี่ยเราจิตระเสติเพื่ออะไรเพื่อสร้างความรู้สึกตัวแต่ทําไปทําไปเรากลับลืมตัวแล้วกลับเรากลับลืมตัวเนี่ยนี่ของคนที่เขาไม่ปฏิบัติสินะเพราะอะไรเพราะตั้งใจมากเพราะยึดติดถือมั่นใน ในผลคือความสงบอยากจะได้ความสงบเยอะแล้วเมื่อยิ่งอยากได้ความสงบมันก็ยิ่งไม่ชอบความไม่สงบยิ่งไม่ชอบความคลุ้งซ่าแต่ความคุ้งซ่าไม่ใช่ปัญหาไอ้ความไอ้ที่เป็นปัญหาคือใจที่ไม่ชอบคลุ้งซ่าไปแก้ตรงนี้ซะอ่ไปแก้จิตต่อคลุ้งซ่าทำใจเป็นกลางกลาแล้วความคลุ้งซ่าจะกลายเป็นไมกับเรา ครับขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามต่อไปขอคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นะเจ้าคะสวดมนต์เสร็จแล้วแต่ไม่แผ่ไม่ตาเป็นภาษาบาลีได้หรือไ ม, ม่เจ้าคะแล้วก็ถ้าสวดมนต์ไม่สวดถูกต้องผู้บ่นช่วงบางช่วงจะมีจิตที่คิดออกไปต่า ง, างๆนานๆจะต้องปฏิบาาัติอยาง พูะจ้าตรัว่าทำทั้หลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจการทำและรกร็ตามเนี่ยการทำความดีเน่งสิ่งํงคาคัญอยู่ที่ใจนะแผ่เมตตาเนี่ยนะถ้อยคำเนี่ยมันเป็นแค่วิตรูปแบบหรือตัวช่วยถึงแม้เราไม่ได้แผ่ในภาษาบาีแต่เราแผ่ด้วยใจที่มีเมตตาจริงๆไง น, นะนึกถึงสรรพสัตว์แล้วก็ แห่คามปรารนาที่ไปให้โดยที่เราไม่ได้ เ, ป, เปิดเอกสารบัญีแห่ไปให้กับพ่อแม่แห่ไปให้กับพี่เพื่อนแม้กระทั่งศัตรูอันนี้ก็ถือว่าได้วาเป็นเมตตาภาวนาเลยอย่าไปติดที่ถ้อยคำอย่าไปติดที่พิธีกรรมนะการภาวนาเหมือนกันนะภาวนาหรปัสนานไม่ต้องขอไม่ต้องขอกรรมฐานก็ได้ไม่ต้องมีผ้ามาให้ศีก็ได้อยากจะทําทําเลยนะ พิธกรรมมันเพยงแช่วยทำให้จิตเรามีสมาธิแล้วก็เป็นการกรามชับนะให้เป็นพิธีการเฉอย่านั้นเองแต่ไม่ใช่สารสําคัญสาสมคัญคือใจวจตนาส่วนส่วนมเนี่ยจะสุวที่ไหนก็ได้ขอไปในส่วนในห้องน้ำเอกได้เลยบางคนถามว่าการสี่ทำบ้าในห้องน้ำเนี่ยได้บุญหรือเปล่าทาได้ไหมโอมันดีกว่านำบาโพยในห้องนาำดีใช่ไห คิดว่าห้องน้ำเหมาะกับการอ่านังสือพอเท่านั้นเหรอใช่ไหมคืออ่านังสือธรรมะอ่านที่ไหนก็ได้ขอให้ทำด้วยใจที่มีสตินะจะนอนสวดมตก็ได้จะสวดมตในห้องน้ำก็ได้เลยนะหากว่าทำแล้วเนี่ยเราศรัทธาทำนั่งจัร์สงบใจเป็นสมาธินะอย่าไปติดที่รูปแบบนะ แตแน่นอนนะถ้าเราทําในที่ที่เป็นเกือ้อกูลเนี่ยมันก็ได้ผลง่ายนะเช่นสวนมดมนต์ในที่ที่มีมีที่ที่เกือ้อกูลเช่นสงบนะมีโพธิลูกก็ทำให้จิต น, น้อมไปสู่พระตระนกกายได้ง่ายขึ้นมันแค่เป็นตัวช่วยแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสา ม, สสมทางสามามสำคจิใจของเรานะอันนี้ก็ธรรมดาสวดใจลอยบ้างไม่เป็นไรนะก็ให้ถือว่าเราสวดเนี่ยนะ เป็นการฝึกจิตไม่ใช่สวดเอาความคลั่งไม่ใช่เอาอัศริมงคลถึงสวดแบบไม่รู้คำแปลเราสวดคาแปลมีภาษาไทยเพื่อเราจะได้รู้ความหมายเราจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาสวดแบบไม่รู้ความหมายนะพอคิดว่าจะเอาความคลังความสับสินนะนั่นกะ็มันไม่ถูกนะอันนี้เราก็จะจ่ายเรถึงมาการโสวดคืออะไรนะสาร ะ, าระเนื้อหาบทสวดวิเศษทั้งนั้นเลยนะ เป็นพุทธภาษิตที่ที่ประเสริฐมากแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราไม่รู้ความหมายเนี่ยมันก็ดีกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นฟุง้งซ่านไปเล่นเฟสบุ๊คเล่นลนแต่ว่าออถ้าเรารู้ความหมายได้ยิ่งดีจะเกิดปัญญาด้วยขอบพรคุณจ้ะค่ะคำถามถัดไปนะคะเคยฟัว่าการําปากทางกายวาจาใจ ทางใจบาปที่สุดแม้ไม่ได้ลงมือทำจิงหรือไม่เจ้าคักแล้วหากคิดอกุศ์ ข, ขึ้นมาค้าที่ไม่ได้อยากคิดแต่คูดคุยไม่ได้ควรทําเช่นรไรดีเจ้าคักการผิดศีลเนี่ยนะมันจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีการกระทําเป็นคําพูดหรือว่าการมูทําที่ฆ่าสัตว์เนี่ยนึกนึกอยากฆ่าสัตว์มันไม่บา มันบาปแต่เมื่อเรามีเจตนาแล้วก็ลงมือฆ่าแล้วก็สําเร็จด้วยนึกอยากจะว่าเขามไม่บาปหรอกนะมันก็อาจาจะบาปนิดหน่อยว่าจิตใจเป็นกุศลแต่ว่ามันบาปเมื่อเราเผือพูดไปแล้วใช่ไหมแล้วคนฟังเขาได้ยินถ้าเราพูดไปกลางป่านี่เขไม่บาปนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครไปทุกข์ร้อนกับคาด่าของเรานะมันจะมีคนได้ยินด้วยนะแล้วคนนี่ได้ยินก็คือคนที่เรามุ่งร้ายจะให้เขาทุกข์และเขได้ยิน เอาจริงๆอะไรเนี่ยเข้าบปดุกบาปเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทําด้วยวาจาหรือทําพูดและมีเจตนาเป็นองค์ประกอบสําคัญแต่ว่าแค่คิดอย่างเดียวมันไม่มันไม่หรอกแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดทําอทำทังหลายมีใจเป็นใจเนสําเร็จได้ใจเพราะว่าจะพูดจะทําได้มันต้องเริ่มมาที่ใจก่อนจะดาก็ได้ต้องเริอมจากใจกอนจะไปข้ามดฆ่ามดข้าไ ก, ก่ก็ต้องเริ่มที่ใจเนั้นใจสําคัญตรงนี้ แต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าทำที่ใจแล้วเนี่ยมันจะมันจะบาปที่สุดมันต้องมีการกระทาด้วยที่เป็นคาพูดและการกระทำนะข้อที่สองคืออะไรนะคุัจ้าคข้อที่สองหัวหน้าเป็นคนรียัคุภราเรียนะยังตอบไม่หมดอกยังอ๋อสองย่อยพี่สองคือแล้วหากอิคคุโสดขึ้นมาทางที่ไม่ได้อยากคิดแต่ควบคุมไม่ได้ควรทำเช่นไร แค่รู้มันเฉยๆร่วมเป็นธรรมดาของใจรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอหลายคนเนี่ยมาปรึกษาตามาทว่าเวลาก็าสวมดมนต์เนี่ยมันจะมีคำความสุกเป็นอุปสมบทกับพระรัตนตรยัยบางทีเดินผ่านเดินผ่านพระพุธรูปก็มีเสียงด่าพระรัตนตรยัยบามีเสียงด่าพ่อแม่ แ้เขาก็มีความทุกข์มาแล้วก็พยายามที่จะมาห้ามความคิดนั้นแต่อย่างที่เราบอกนะยิ่งห้ามมันยิ่งอยู่สิ่งที่ธรรมาแนะนั่งคือว่าให้รู้มันเฉยเฉยวเาอย่ไปสนใจมันอย่าไปทาอะไรของมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าไปทําอะไรกับมันเนี่ยเรายิ่งตกเป็นเหยื่อของมันอย่างที่ธรรมจะตตัวอย่างนะว่าพรานเนี่ยเขาใช้วิธีจับกายที่การเอาสิ่งที่ไก่ไม่ชอบไก่เจ้าถิ่ไม่ชอบ คือลูกต่อหรือวไกลต่อถ้าอยิ่งไปผักสายมัยก็ยิ่งเสร็จไปนะยิ่งไปผักสายก็ยิ่งยึดติดมันเมื่อกับแม่ค้าที่มาต่อยากเราถ้าเราไปทะเลาะกับแม่ค้าก็ยืดยาวถ้าเราไปค่อยตามเขาไปต่อรองมันก็ยืดยาวก็คือไปสนใจ อาตมาแนะนำเนี่ยกับคนที่เขามีความคิดเป็นอกุศลต่อพระตะนตาทัยหรือมีเสียงด่าพ่อแม่ในใจเนี่ยแล้วคนเหล่านี้เนีน่ยมาเชื่อตัวเองเนี่ยแย่เลวร้ใช่จริงคน ท, คนที่คนที่มี ม, มีมีปัญหาแบบนี้มีเยอะนะฮะอาตมาไม่น้อยกว่าสิบถึงยีสิบแต่เขาไม่พูดเท่า น, นั้นเองพอคนที่มีความคิดแบบนี้เขคิดว่าเขาเป็นคนที่เลวว่าแล้วก็คิดแบบนี้ยนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สกทำความดีไม่ขึ้นต้องบอกธรรมดานะ พอมาเนี่ยมันต้องหาทางล่อหลอกหรอยิ่งมันเห็นล่อทำความดีสนใจธรรมะมันยิ่งหาทางล่อหลอกหรือว่ากั่นแก้งเราผู้จะไปสนใจนะผู้เจ้าเวลาเจอมาเนี่ยพู้เจ้าไม่ไม่ต อ, อบร ก, ก็สักทีก็มาะผู้เจ้าบอกว่ามาเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะคิดว่าเรารู้จักเจ้ารู้มาเรารู้จักท่านแล้วท่านจะคิดว่าเรารู้จักท่านแค่นี่นะพูดพักนี้เนี่ยมายก็ ยอมแพ้เวลาม่เข้ยอจกุศลนะก็แค่ออรู้แค่รู้หนึ่งอย่าไปทำตามสองอย่าไปต่อสู้นะไม่หลักสายแล้วก็ไม่ไม่เลิม้มไม่คล้อยตามทําแค่นี้พอหวังใ จ, จเป็นกลางขอขอบคุณเจ้าค่ะคำถามถามัไปนะคะกัวหน้าเป็นคนเมียารมณรายละเอียดแม้ไม่เห็นด้วยก็ต้องทำตาม จนงานหนักตลอดเวลาควรปล่อยวางอย่างไรเจ้าคะทำเลยไม่บ่นทําเลยไม่โวยวายไม่โวยวายเขาอยากได้ก็าทำเข้าไปนะคือถ้าเราเป็นเพาว่าถ้าเราไปพูดเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแล้วก็เหนื่อยแต่กายนะหรือเหนื่อยอย่างเดียวอย่าเหนื่อยสองอย่าง เหนื่อยสองอย่างคุณจะไปบวไปเจ้าหนันเป็นอย่างนี้ว่าทำไมเจ้าหน้าเมื่อไหรงจ ะ, กะเกษียณทีวา <l> หรือว่าคือที่แบบนั้นมันเหนื่อยสองอย่างไหนๆจะเหนื่อยะเหนื่อยอย่างเดียวคือว่าทำงานหนักขึ้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์จริงๆทำงานหนักขึ้นไล่ใช่เพราไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาสาหามเลยส่วนใหญ่ที่แย่เพราะว่าใจที่ยอมรับ ก, กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ใจที่บนบวยวาตีโพตีพายแล้วแหะที่มันทําให้ทุกข์มากกว่างานที่เพิ่มขึ้นนะลองสังเกตดูนะงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าใจรักนะมีความสุขแต่ว่าถ้านอกจากไม่รักรักบบ่นบวยวาตีโพตีพายเนี่ยผมทุกขนะ์ทำใจเป็นเงกลางนะแล้วคุณจะพบว่าเจ้านายถึงแอาจจะจู้จี่เรื่องนี้แต่ก็มีความน่ารักเรื่องอื่นนะ ก็ก็ยอมเขาไม่ได้ก็สมองคือเวลาเราปเป็จ้าหน้าเราอยากจู้จี้อยา่างเขาแล้วกัหลายคนนะนะั้นไม่ชอบเจ้าหนนะ้าเจ้าหน้าจู้จี้นะั้นแต่ซึ้งซับแล้อาที่สารไม่ดีขอเจ้าหน้ามาเต็มที่อนาะตมาเจอเยอะ แ, แล้วไม่ชอบพ่อนะบางทีพ่อเจ้าชู้บ้างหนละ้วพ่อใช้กําลังบ้างแล้ชอบพูดจาดา่าท้าทายไม่ชอบนะแต่ซึ้งซับแล้วเอาความไม่ดีของพ่อมาเต็มที่เลย ไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายยิ่งเราไม่ชอบกนะ็ต้องระวังนะก็ะยิ่งไม่ชอบเรายิ่งสึมซัพ์สิ่งที่เราไปชอบออกมาง่ายเจอมาเยอะแนละ้วยิ่งหักสายยิ่งยึดติด น, นะให้จำเอาไว้สนะมาคมว่าคนที่ไม่ชอบจอมลายจุจีเนนะี่ยพอไปเจอมลายเนนะี่ยจะอาทีสัยกับนันมาใช้กับลูกน้องนะต้องระวังค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะจะเรียนถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวาง เพื่มเหตุการณ์ปัจจุบันของการเมืองแล้วค่ะว่ามองไม่เห็นอนาคตของประเทศควรจะควจะให้ความไน้ดัในการวางแนอย่างไรก็ค่ะอนาคตมันมีอยู่แล้วหรเล่เพียงแต่ว่ามันคงจะอาจจะอาจจะเห็นไม่ได้ง่ายๆในช่วง 5-10 ปีอันนี้จะต้องยอมรับแบบนั้ แต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของปลายประเทศนี่นะเขาเจอหนักกัเรามาเยอะแต่เขาก็สามารถจะมีนาคตได้เยอรมันสเปนญี่ปุ่นนะเผอิ พ, อพมานะ่าเยอาจจะพะม่าเราไม่รู้แต่ที่เรารู้แน่คือว่าประเทศที่มันมีนักโทที่เลวร้ายข่ามันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส น, นะเยอรมันสเปนเนี่ยสเปนนี่อีกวันปีสองปีที่จะครบรสงครามกลางอสเปนโหข้ามาก มันแบบกว่าล้านกันเลยนะเป็นหมื่นๆนะฮหรือหลายหมื่นแต่ทุกวันนี้เขาระผ่านเหตุการณ์นม้มาได้ประเทศเขาก็กำังมีความเจริญยมาละมนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสมัยสมัยเลิศหนึ่น ม, นมันเ็วร้ยวายมากมากเลยสุดๆแต่ว่าทุกประเทศเนี่ยรู้แลกวแตมีมีปอดสาคันเจ็บปวดทั้งนั้นนะวันีถามว่ามีอน า, าคตไหมจะมาช่วยมีอน า, าคต เพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันยังเล็กน้อยกว่าสิ่งที่หลายประเทศเจอแต่ว่าคุณอไปอยไปอยไปไม่ว่าจะเป็นยาต่อโค้ดหรือว่านก็อย่าเพิ่งไปจดจอหอกับเรื่องของบ้านเมืเดียวดูแ ล, แลรักษาใจตัวเางรับยามทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในขอบข่ายของเราแต่จริงๆแล้วบ้านเมือก็อยังมีมีอะไรที่ที่ดีหลายอย่างอย่างเี่ตเมื่อก่อนนะคนเราถ้ามันมองเห็นแต่จดจอแต่สิ่งที่เป็นลบนะ บวกแค่ไหนก็มองไม่เห็นหมันกับซิกโก้เนีิโก้ที่จดจอด่อในสิ่งที่เป็นลบอะก็คือไม่ได้เล่นทิปไม่ได้เล่นบอลไม่ได้ลุนสนานเขามองไม่เห็นสิ่งที่นี้ที่เกิดขึ้นเขาหรอก้า ท, ที่เกิดขึ้นเยอะมากจนกว่าเวลาผ่านไปจะค่อยเห็นแต่เราอย่ารอให้ผ่านไปจะค่อยเห็นเปิดใจใส่ปอบนี้ด้วยการที่ใจเนี่ยจะไปจดจ่ออ ย, อยู่กับในเรื่องพวกนี้มากอ่านดูเฟซบุก๊กเพิ่มน้อยลงนะเปิดไลน์น้อยลงเพราะตอนนี้เฟซบุ o กกับไลน์เนี่ยมัน เป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวุ่ให้กับผู้คนมากและความแท้ก็ยิงเหลือเกินนะไม่ได้บอกว่าทิ้งมันไปนะคือว่าให้เวลากับ น, น้อยลงนะแล้วคุณจะพบว่ า, ามันมีสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันทุกวันในทั้งในชีวิตของเราแล้วก็ของบ้านเมืองนะอค่ะพระเจ้าค่ะท่านต่อไปค่ะ เัื่องจากต้องทำงานข่าวเดียวครอบครัวคนเดียวไม่ได้ไปีเวียรไปเยี่ยมพ่อแต่แต่มี เ, เวลาเยี่ยมบ้างแต่ไม่บ่อยจะถือว่ากระดัดยูไม่กระดัดยูหมายถะไรเออมอยู่ในใจนะใจยังห่วงยยยังยังยังไม่ถึงท่านนะถึงมาไปเยี่ยมท่านไม่ได้นะก็โทรศัพท์พูดคุยกับท่านสมัยนี้การโทรศัพท์มันเป็นเรื่องง่ายนะแล้วก็ ราคาก็ไม่แทง น, นะโทรท่านไปบ่อยนะพูดให้กําลังใจท่านพ่อแม่บางทีแค่ลูกแค่รู้ว่ลูกคิดถึงลูกย่างระลึกเนี่ยก็มีความสุขแล้วแล้วเวลาไปเยี่ยมท่านก็ไปเยี่ยมด้วยใจเต็มรอยนะอย่าแบบเอาเรื่องงานเรื่องการไปไม่ใช่นะไปไปหาท่านก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องการกุ้ม น, นแต่เรื่องผ่อ น, นี่ผ่อนบ้านอะไรต่างวางเป็นรองซะ ไปได้วยใจที่เต็มรอยนะมันจะเป็นเวลาที่มีคุณสรรมเพราะฉะนั้เนี่ยมี่ใจนะถ้าใจเราเป็นความเราลึกท่านอยจะตอบแทนบุคุณท่านแต่ที่ไม่แม่ไม่แม่แเนี่ราคุณแม่อกาูครั บ, บคุณค่ะขอเต้นถามให้คำถามค่ะเวลามีเสียงดันทาให้ได้หินทำอย่างไรจะไม่โกรธหรือหมดหินมากเจ้าค่ะ ปรับมาใใจของเราใจเราก็ เ, าเพื่อมไหมปัญหาไม่ได้ที่เสียงปัญหาที่ใจที่ไม่ชอบเสียงหรือว่าใจที่ไม่มีสตินะในนึกถึงเรื่องของปู่อุตตาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาตมาก็พูดบ่อยนะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหลวงปูอุตตาไปชันอาเทนที่บ้านยนองคนนึงในกรุงเทพ หลังเสร็ท่านก็จะกลับวัดวัดนอยู่สิงคโรีแต่โยมจ้าของบ้านก็บอกว่าให้หลวงปู่พักก่อนเพราะว่าจากกรุงเทพไปสิงคโรีสมัยนั้นห้าสิปีที่แล้วไกลก็จะหาห้องให้ทุกศิลูกค้าก็มานั่งเป็นเพื่อนเวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาแต่เมื่อเอห้องที่ติดกับห้องที่หลวงปู่พักเนี่ยเป็นห้องแถวนะก็มีเจ้าของร้านก็เป็นร้านโชหัวเจ้าของร้านเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนก็ สวเกียบเกียวไม้เวลาเดินก็เสียงดังเสียงก็ดังเข้ามาใ น, นห้องที่หลูจวัดอยู่รู้สึกก็ไม่พอใจนะมีคนก็พูดเข้ามาเนี่ยเดอนไ่เก่งใจก็เดินเดินเสียงดังจากหลวกปู่ท่านหลับตาดีแต่ท่านได้ยินท่านก็นนเลยเรย์ขึ้นมาบอกว่ า, วาขอเดินของเขาอยู่ดีๆเราผมปลองเกีย้ยวโดยเองนะ เสียงวม่ใช่ัญหาปัญหาที่เอาหูไปลองเกี้ยอย่านะี้หรือที่หลวงพ่อชาวันเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงนะที่หูไปหาที่หูเป็นเอาหูไปลองเกี้ยเพราะไม่มีสติไม่มีสติที่ใจหูกเ็เลยไปหูาหาเรื่องเห็นกับมีสติที่ใจนะใจมันจะไปพอหูมันไปลองเกีย้ยเมื่อไหร่ก็ดึงหูเก่ากลับมาใจามันไปเฉียงกับเสียงเมื่อไหร่ก็ ขอขุดเจ้าค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะการนมัสการพระจารอยากทราบว่าจะทําอย่างไรไม่ให้กระวลสับ ก, บกบารที่ไปเรียนพระอภิธรรมแล้วจะสอบเกิดความกังวนและเครียดกลัวจะสอบไม้ผ่านเจ้าค่ะก็เอาความเครียดความวกังวต่หลัมาวิเคราะห์ในทางพิธีธรมว่ามันเป็นยังไงใช่ไหม เราเรียนเพื่อที่ทำเพื่ออะไรเราเมเ้ยทำเพื่อเราจะได้เข้าใจตัวเองเพื่อเราจะได้มาฝึกจิตฝึกใจของเรานะก็เมื่อมันถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดความเชื่อความกังวลนึกๆเนี่ยเราทำไมถึงาต้อง่รือกังลเพราะกลัวสอบตกใช่ไหมสอบตกมันเสียหน้าใช่ไหมมันมีความยึดติดในหน้าตาหรืเปล่านะเราต้องเชื่อเราต้องเก็บใช่ไหมนะอันนี้คือตัวตนลึกเ่า เม่เราเรียวิเรียนด้วยความยิติในตัวตนก็ต้องเครียตรดต้องกังวลใช่ไหแต่เราเรียนเพื่อเรียนเพืนะอ่อลดนนนะเือล้งหนะ ร, ร, รือเปล่ า, าถ้าเราเรียนเพื่อลดเ่ลาก็เนี่ยคือกาดว่าคือลดลให้ความยุตินในตัวตนนะเอาความรู้ในทางวิทยาศร์มาวิเคราะห์เลยนะว่าเรายุติในตัวตนเพราะอะไรงั้นถ้าเราถ้าเราเรียนแล้วยังมีความยิติในตัวตนนะมันก็ต้องกลัวต้องวิ ต, ตกต้องกังวลใช่ไหแต่กลัวทำไม่ ถ้าเราเนี่ยตตาท่างบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยมันก็มาโตอยู่ตรงที่ว่ามีความยึติดในโตัวตนนั่นเองแม้แต่เรียนธรรมะ ก, ก็ยังเครียดนะแล้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเรียนพิธามะคราบเนี่ยที่ไปเรียนนักธบาลีก็เครียดทั้งนั้นเวลาสอบเ ป, ป็นรบกสาวก็หลรถ้าขาเครียดทาไงฮะกวสอบตกมีการจุดจุดในห้องสอบมีการจุดจุในการสอมีการุกประโทสาม า, าไปหนักเึ้าไปใหญ่เรียนธรรมะ แต่ใช้วิธีที่เป็นอาธรรมเนี่ยมันถูกมันก็ไม่ถูกใช่ไหม น, นี่เพราะอะไรเพราะว่าให้ความยึดติดถึงมั่นในตัวกูของกูนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อให้ลองไหนๆให้เราเชื่ อ, อเออนีจะตกก็เป็นลายพิ้งมันก็เป็นการเป็นการสึกว่าเออเรามีความยึดติดในตัวตนแค่ไหนเจอโรคก็ะทำฝ่ายลบสัก บ, บ้างมันก็ไม่เสียหายเนยเพราะว่าการฝึกธรรมะเนี่ย มันก็ต้องเจออะไรที่มากระทบกระแทกมันะ mm hmm. เจอในเมื่อกิเลสมันอยากจะให้คนชมในเมื่อกิเลสมันอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งอากจะประกาศก็ให้ให้โลกรู้ว่กูแข่งกูแน่บางทีเราก็อย่าไปตามใจกิเลส น, นะกิเลสมันกาลังต้องวนกิเลสมันกำลังวิตกนะตัวกูกําลังเป็นทุกข์ว่ากูจะไม่เป็นที่หนึ่งไม่เป็นที่ยอมรับจะสอบตกจนะไปเชื่อมันจะไปหลงค่อยตามมาเราก็ทําหน้าที่ของเรา เร่องเาบอกให้ทุกทพไปอยู่กับอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดไปทุกทำไมอยู่กับปัจจุบนันทาเต็มที่แต่อย่าเสียเรียดนะเวลาสอบเวลาสอบเวลาเรียนหนังสือทางานให้ถือคตินี้ทเต็มที่แต่ให้เสียเรียดใจอยู่กับปัจจุบนันอย่าไปสนใจนนน อ, อนาคตสอบได้สอบตกเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทาให้เต็มที่นะนี่แหละคือเรื่องการอยู่กับปัจจุบนัน บนันดิฉันอยู่ในสถานะภรรยาน้อยพยายามจะออกมาเพราะอู่ไม่มีความสุขแต่ทำะอย่างไรก็ออกมาไม่ได้สักทีจึงตัดสินใจปฏิบัติธรรมเพราะคิดว่าจะทำให้สภาพชีวิตเข้มแข็งขึ้นและหลุดคลนพระานนอาจามีวิธีคิดอย่างไรให้ทาได้ ใช่หมแต่ว่าพยามที่หาทางออกขณะที่หาทางออกไม่ได้นะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างเยแต่ตนอนเนี่ยรักษาใจให้ดีไว้รักษาใจเป็นปกติเอาไว้นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่ามีช่องมีโอกาสเมื่อไหร่หรือเห็นทางออกเมื่อไหรนะก็อย่ารีบ ล, งลงังเล ก็พยายามที่จะออกจากทางนั้นได้แต่กอ็อยากจะพูดนะว่าอย่าลงโทษตัวเองนะอย่ากเกลียดตัวเองนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็มันก็สุดวิสัยที่เราจะควบคุมอากาบัญชาได้ดังนั้นเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็มองไปข้างหน้า แล้วก็หาทางออกให้ดีที่สุดจริงๆเราทุกปัญหามีทางออกนะแต่ถ้าทางออกบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ทางเข้าใช่ไหมฮะเวลาเราเ ข, ข้ากระช้องนี้เนี่ยเนะข้าประตูนตั่มาเนี่ยแล้วก็มองมาทางนี้ไม่มีทางออกเลยนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดหลายครั้งเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเราก็เลยไม่เจอทาง แต่ที่จริงทางออกูที่ทางเข้านะคุณลองหันหลังกลับไปดูแล้วก็เห็นประตูที่เข้ามานันแหละคือทางออกนะลองลองใช้ทางนั้นดูจนะ ต, ต้องต้องกล้าที่หันหลังออกไปนะนะแต่ก็ดีแล้วทุกโมทนา ท, ที่ที่หันมาเข้าาธรรมะนะแล้วก็อย่างน้อยก็ทําให้ใจเนี่ยเป็นปกติมีความสุขไม่โทษตัวเองพยายามใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ให้มีคุณค่า และต่ะมาเชื่อว่าซ่อนม่นก็ต้องมีทางออกนะจริงๆนั้นนะคือไม่มีทางออกเลยเนี่ยเอาเที่ยวไปยนะเหมือนคนติดคุกคนติดคุกเนี่ยนะบางคนก็ติดคุกตลอดชีวิตนะแต่ว่าถ้าติดคุกเป็นนะมันก็ติดแต่กายนะใจไม่ถูกพยายามฝึกให้ได้ถ้านว่าชีวิตเราจําเป็นสักวันหนึ่งเกิดจำพระจำภูมาติดอยู่ในคุกนะ มันก็มีสิทธที่จะที่จะเป็นสุขได้กายเนี่ยไม่มีิสระแต่ใจเนี่ยเป็นของเราหมายความว่ามันอยู่ที่เรานะคนที่ติดคุกแต่ก็มีจิตใจที่เป็นอิสระมีความสุขเยอะนะไอ้คนที่ไม่ติดคุกเลยเนี่ยร่างกายไม่ติดคุกแต่ใจติดคุกก็มีแต่ที่ใจติดคุกเพราะว่าเรากล่อให้กิเลสตัณหาหรือว่าอาดีตนักขมา มาครอบจิตเอาไว้ให้ใช้สติใช้ปัญญาจิตมันก็จะออกจากคุกที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกครอบคุณได้เราสามารถเป็นอิสระได้ในทุกในทุกที่ในทุกสถานการณ์ในทุกสถานะนะคือแม้จะเป็นมีน้อยแต่ว่าจิตก็ยังสามารถจะอิสระได้ถ้าวางใจ เ, งเป็นเนะพราะแม้แต่คนติดคุกขาก็ยังสามารถจะพ้นิสระภาพและความสุขได้ ขอบพระคุณค่ะคำถามยังมีเหลืออยู่แต่ว่าเวลาตอนนี้หม ด, มดวเวลาแล้วสี่โมเย็นแล้วนะคะบ้วยกันอย่างนี้นะคะก็ อ, ะอยากจ ะ, ะให้ท่นออานผอนะคะซึ่งท่ า, านอาจารับโดมตัวไหนไหได้โอกาสได้กราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็อนพรักษนาคุณกับผู้มาพบจากกาิตกรรมระเบีนค่ะโอกาสจะขอไเชิญคุณพัทรีแยงโฟสุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ ในนของทวัที่ตัะสมาชิกแห่งการทศไทยขอกราบของระคุณพระอาจารย์ภาษารวิสาโรพิมาเมตตาแสดงธรรมในโครงการศิตสายใจสบายในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ในความน้าขอบพระคุณเจ้าค่ะและ อยากคือที่ทางสมาคมอยากจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคุณเช้าคือว่าเราจะมีโครงการทำบุญวันเกิดในวันที่16บหกตุลานี้นะคะค่ะท่านใดมีเวลาขอเรียนเชิญ น, นะคะส่วนในเดือนพฤศจิกายนเราจะมีโครงการสาธายารท่านใดกี่บทในวันที่ท3่พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนในเดือนธันวาเราจะมี โครการสุดท้ายที่ก่าอ้อนรับปีใหม่นะคะปีนี้เราจะมีการสวดประถมสมโภชทางสมาคมหวังเป็นอยญ่ยิ่งว่าจะได้รับต้อนรับทุกท่านอีกท่านผูกลาดทางสมาคมพีพีเป็นงหญ่ที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะสาวนุ่นประดับด้วยค่ะ ส, สาธอสในโอกาสนี้นะคะท่าจะ ขอขอคุณท่านพระจ า, าก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะถวายปัเททยาาจเกธรรมพระาชาลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณวรล า, าเชิดพันนะคะถวายพระใจแาาด่พระจ่าหลงจากเรียนเชิญค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกรลดเกียส ม, มาถวายปัจยและาารรมพระจา ขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสวัสดีคุณเมฆตา